จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทธ์ผู้ฝ่ายรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อสนทนาธรรมถามตอบสำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนาได้ค่ะ วันนี้เด็กชายพีเคไม่เข้ามานะน้องพีเคม่เข้ามางันไปที่จะแม่กับแจที่เลยสำกรับนั ก, กาสพระอาจารย์วันนี้ว่าส่งกันบ้านครับว่ามัามเนเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา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 คือว่าเราจะต้องได้รับผลของก ร, รมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันๆเถิดทำอะไรก็ต้องรับผลอย่างนั้นนะบอืที่เรามาเกิดตอนนี้ไม่เหมือนกันนะเพรากันมของเราทํามาไม่เหมือนกันถ้าอยากจะทําให้เราดีขึ้นเราก็จะทำกรรมดีให้มากขึ้นลดการกระทากรรมไม่ดีให้น้อยลง นะแล้ววันนี้จะรายงานเรื่องร่างกายด้วยใช่ไหมเช่นทํิมันามีอะไรบ้างร่างกา ย, ยมีผมผนเล็บฟันหนังเนืะอเอ็นกระดูกเยี่อในกระดูก ม, ม้ามหอวใจตับถังผื่นไตปอดเส้ใหญ่เส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเยี่อในสมองศีรษะ น้ำเลืน้ำเสร็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงาน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไผ้ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเนี่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็จน้ำเนืยันในสมองสีสังอาหารเก่าอาหารใหม่ ไซน้อยไซ ใ, ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้ามเันในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเด็ขนผมเวลานั่งสมาธิถ้าจิตมันยังวุ่นวายอยู่ก็ลองต้องอาการสามสิบสองให้ดูไปเรื่อยก็ได้นะครับพื่ทำให้จิตหายวุ่นวายนะรับ ยังมีคำถามอะไรไหมไม่มีครับแต่อาทิตย์หน้าไม่สามารถเข้าสู่ได้ครับเพราะจะไปเข้าค่ายของโรงเรียนครับทั้งสองคนเลยเลยใช่ครับเข้าค่ายอะไรเป็นเข้าค่าย ข, ของโปรแกรมวิทยคณิตครับอา่อาต้องไปนอนที่โรงเรียนเลยนะไปไปที่ระยองครับไปนอนโรงแรมครับ อ, อ๋อโอเคตั้งใจเดียวนะครับ แต่อย่างหนึ่งธรรมะนะธรรมะก็สาคัญนะได้ครับโอเคอยู่ไม่มีอะไรใช่ไหมครับ ไ, ไม่มีครับไม่มีก็ไปที่น้องทีมรับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับน้องเทียมกับคุณแม่ามาการนมัสการพระอาจารย์นัเรื่องนั่งสมาธิครับมายัางไงนะน้องเทียมประส บ, บ, บารเรื่องนั่งสมาธิครับแต่ว่ามาเจอ อาทินี้นั่งได้หนึ่งชั่วโมงสิบวินาทีกับอีกห้าเสวินาทีครับบแล้วคนเขาเยอะนะเงไดทั้งหนึ่งตั้งชั่วโมงจริงแบบวอาเมาได้ได้ทั้งนั่งได้นานเท่าไหร่เออก็ประมาณเกือบประมาณเก้าทีครึ่งพอในวันครับเ้านาที เขาหานเอาคเขาดูอยู่แล้วเขานั่งหาเอาอะคะพาร์ทิชันถ้าที่จดไว้อะไรนี้เรนจ์มันอยู่ที่เท่าไหร่ก้าวนานที่นานที่สุดเก้าเลยพอแล้วสร้างที่สดเท่าไหร่เก้าครับได้เก้าตลอดเลยอะไรนี้ครับมีมีมีมีสุดแล้วก็มีนานสุดแล้วมีนานสุดเป็นสิเอ็ครับด้วยทำยังไงเวลาเน่า อพูดโทรพยายามตอบครับพูดโทรอย่างเดียวเลยครับแล้วรู้สึกยงไงบ้างเ อ, อ่อรู้สึกสบายครับสบายนะครับไม่ค่อยปวดเหมือนเมื่อก่อนแล้วรู้สึกชอบไหมตอนนี้เริ่มเริ่มชอบไหมก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับมังไม่ชอบเนะย<ำ>มันกินมันกินยาขม อ, อยู่นะครับ ด้วยยามดีตดก็ยังไม่ชอบกินมันนะครับเพราะว่านีทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ครับอ๋อแล้ววันนี้มีคาถามอะไรเปล่าครับไม่มีครับหนูก็หนูก็ไม่มีค่ะพระอาจารย์อาทิตย์นี้ก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์วันก่อนก็เมื่อวานนี้ก็ฟังเทศพระอาจารย์ตอนบ่ายอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมคะแล้วก็ ได้มีโอกาสได้นั่งฟังธรรมทั้งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิก็พอพอนั่งได้จนจบครบชั่วโมงหนึ่งก็รู้สึกว่าดีใจอะค่ะทุกเพราะปกตินั่งไม่ค่อยได้ถึงชั่วโมงครั้งไหนที่จะได้ถึงชั่วโมงก็คือต้องแบบตั้งใจคือฟังธรรมพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิต่อคือต้องตั้งใจจริงๆอะค่ะพอครบชั่วโมงก็รู้สึกดีใจน้ำตาไหลทุกทีเลยเวลานั่งได้ครบชั่วโมงรู้สึกดีใจอะค่ะแล้วเมื่อวานกลับมาก็เลยแบบ นั่งนั่งต่ออีกอะคะนั่งกลับมาที่บ้านก็เลยนั่งต่อได้อีกแบบเออก็นั่งไปคนนั่งฟังธรรมะของหลวงตามาหาบัวไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งไปได้ประมาณสักสี่สิบนาทีอะไรแบบเนี้ยค่ะพ่ใจก็รู้สึกว่าแบบมีกําลังใจในการปฏิบัติมากขึ้นอะไรแบบเนี้ค่ะเดพยายามทําไปเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถควบคุมใจมราได้ดีขึ้นค่ะก็ก็สังเกตว่า ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมก็ควบคุมใจได้ดีขึ้น่ะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะอาจารย์ความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆก็จะน้อยลงมีค่ะน้อยน้อยลงไปเยอะค่ะอาจารย์ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบไม่ได้เก็บมาคิดอะไรมากมายเหมือนเมื่อก่อนนะคะคือรู้เร็วขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องเรื่องของอารมณ์แบบอารมณ์อะไรพวกนี้ที่เข้ามากระทบนะคะอาจารย์ก็จะรู้รู้เร็วขึ้นจากที่เมื่อก่อนก็ จะเตลิดเปิดเปิงอะค่ะก็เดี๋ยวนี้พอมันมันรู้เร็วขึ้นมันก็ก็ก็พิจารณาได้เร็วขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็ดับเร็วขึ้นนะคะมีการไปเดินเนินอย่าท้อนะจะเห็นผลแห็นประโยชน์นำลำดับต่อไปค่ะไม่ไม่ท้อค่ะพระอาจารย์ไม่ท้อแล้วก็ไม่ทิ้งด้วยค่ะพระอาจารย์ดีมาค่ะก็ไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย์ก็กลับแรงงานพระอาจารย์ค่ะอ่ามึงใครที่เคยตายตอนกัก ใช่ครับน้องการมา ส, ส ก, การค่ะพ่อาจารย์ยังไงคนไกล้ตัวดีขึ้นยังคนใกล้ตัวก็ยังเดินไม่ได้สามเดือนค่ะพ่อาจารย์ห้ามลงน้ําหนักที่เท้าเพราะว่าเหล็กที่มันเสียบไว้มันจะหักถ้ามันหักก็ต้องไปผ่าใหม่แต่ก็ต้องรออีกพักเนื้อค่ะพ่ออาจารย์น่าจะหกเดือนขึ้นนะคะ มัาทำไงนั่ง <kal> น <ende teachers> ั่ง <nah>, น <my, when ster> ั <sm> ่งรถเจ็นัเรียนก็เดินเดินไอตัวไม้ไม้ไม้อะไรนะคะบล็อกเกอร์ค่ะอ๋ออ่าก็เดินสามขาไปก่อนก็ก็ยังดีค่ะอาจารย์ตอนที่เขาล้มหนูก็สติแตกเหมือนกนละค่ะแต่ก็คําสอนผู้อาจารย์ก็ผุดขึ้นมาเหมือนกันก็ช่วยได้ค่ะก็ผุดประมาณว่า ก็ยังดีที่หัวเขาไม่เป็นอะไรก็ยังดีที่สมองเขายังใช้ได้ที่ยังดีที่ไม่พิการอย่างอื่นอันนี้ยังก็แค่นี้ก็ถือว่าพักผ่อนไปในตัวคะ mm ่ะพอาจารย์อืค่ะ mm hmm. ช่วยใจเราได้หน่อยแต่ก็เขาก็ยังทํางานอยู่ค่ะทําทําที่ห้องทําคอมพิวเตอร์สั่งงานนู่นนี่นั่นก็เรื่องเรื่องราคาเรื่องอะไรก็ยังทําอยู่ก็ไม่ได้เหงาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่คะ่ะ ไม่ได้เดินไม่ได้ใช่ค่ะเดินไม่ได้แล้วก็ไปไหนไม่ได้แค่นั้นเองคะ่ะพรอาจารย์เดินสามารถเดินแต่ถ้าเดินมีวอล์คเกอร์เาพอจะเดินได้ได้คะ่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตยกกล้องไปที่ขานะคะพรอาจารย์ตอนนี้เธอนะคะอากะอาจารย์อาการ้ ก, กายค<ม>่ัพระอาจารย์อ่าไมเป็นงไง ครับก็พักรักษาตัวอยู่บนห้องครับก็แต่ก็ทํางานครับเดินไปเดินมาภายในห้องได้ครับอาจารย์ครับครับแต่เดินลงไปทางล่างไม่ได้ครับเพราะว่าพักห้องอยู่ข้างบนอันตรายแค่เราจะตกบันไดหรือจั่นดาบเข้าไปอีกครับเดี๋ยวใจเย็นนะษาศัยมันหายก่อนแล้วค่อยกลับครับไม่ต้องรีบร้อนยิงลยิงร็วยิงช้ายหญง ถ้ไม่ได้บ้านมันใช่มันก็จะหายเร็ววันก่อนก็ขอโยอมตายบอกจะขอล้มไปทางานข้างล่างแล้วบอกไม่เอาไม่ให้ไปเดี๋ยวตกไปมีปัญหาอีกครับอครับขอบคุณอาจารย์ครับผมได้รู้ว่าเนี่ยเวลาเป็นพระเป็นยังไงไปไหนไม่ได้ครับไปอยู่แบบพระไปก่อนนครับขอคาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุครัคุณครับอาจารย์ครับหายเร็วๆนะครับกลับผมกลับผมขอบคุณครับ ค่ขอบคุณพระคุณพระอาจารย์มากค่ะหนูถ pues ึงกล้องกันก็ยังไปไหนไม่ได้ก็ถินนี้ก็ว่าจะไปนู่นไปนี่ก็ต้องยกเลิกหมดเลยแต่ภาวนาดีเว่าภาวนาไม่ลงไปไหนเดยจะค่ะยกเลิกเพราะว่าไม่เอาเสียงงินม้แต่บาทเดียวขับเสียงหน่อยหนึ่งแล้วกันของดีไม่เอาเสียงกันไม่เอาค่ะ โยมก็บอก เ, เหมือนกันว่าเนี่ยได้ได้ไดเวลาแล้วอย่างน้อยก็ปฏิบัติสักหน่อยก็ยังดีแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติหรือเปล่าเพราะโยมไปทํางานเขาก็อยู่คนเดีย ว, วลูกๆ ก, ก, ก, ก็คอยส่งข่าวค่ะถ้าไม่รู้จะทําังไงก็ส่วนบนไปก่อนไม่ยาจ้าค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับโอเคราตรีบไปที่เป็นหมอหนุ่งเรี่ยมหมอหนุ่งเรี่ย มออ่าเป็นยังไงย้อนราย ก, การคุณพระจันทร์อ่ามีอะไรไหมวันนี้ครับปฏิบัติอยู่าาครับพระอาจารย์ครับอย่างนึอย่างหนึ่งพระอาจารย์ได้ยินเห็นนะครับได้ยินห น, นึ่งครับยังปฏิบัติอยู่ค ร, ครับพระอาจารครับก็ตั้งใจครับตอนนี้ก็นั่งได้ติดกันชั่วโม ง, งแล้วครับพระอาจารย์ ทุกโมงหนึ่งแต่ว่าจะไม่ได้ทุกวันนะครับพัาจันผมก็ต้องแบบเลืเอพพอย่างจัดเวลาเป็นที่ครับพัดจด้ปริมาณจะคุณภาพเป็นงไงคุณภาพต่อปีครับอพัารย์ก็แบบก็ยังได้ความความนิ่งสงบความระโยกับอาาจย์ได้ได้ถึงระดับระดับคือออกมาแล้วจะมีมีปิติมีควา ม, มงสงบสภาพจั น, จ น, นแต่ว่ายังนั้น อ่าหล oh okay. um, ายหลครั้งก็จะได้แบบลึกลึกกับพระอาจารย์ที่เหมือนกับว่าที่เรียนพระอาจารย์ว่าเหมือนเหมือนตกบันไดเหมือนอะไรอย่างนั้นแหละครับพระอาจารย์แต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ทุกครั้งครับไม่ได้ชุกครั้งครับอาจารย์แต่ว่าความคือแต่ละครั้งไม่เท่ากันครับอาจารย์บางครั้งก็เหมือนกับเป็นกระเถิบกระเถิไปอ่ะครับแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะได้มากกว่าครับขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเราช่วงนั่งเนี่ย เรานั่งได้ได้นานขึ้นเท่าไหร่ครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับกับเวลาที่นั่งอะครับเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยยี่สินาทีแรกเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่แล้วครับอาจารย์ก็จะก็ใหญ่มีแค่ตรงความสุขครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดขนาดความสุขลึกๆอ่ะนะครับครับอาจารย์เ อ, อเวลาที่ไม่นั่งก็ต้องคอยควบคุมสติด้วยนะใช่ครับอาจารย์ครับ mm hmm. เวลาไม่นั่งผมก็จะพุโทโธครับ ครับจะสวดมนต์ครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ใช้สวดมนต์ตอนนําเข้ามาสู่ให้ได้สติก่อนนะครับท่าอาจารย์ก็จะสวดมนต์ยาวๆทีนี้ผมมีคําถามถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราตั้งความตั้งใจอะครับว่าเราจะต้องนั่งให้ได้ในเบื้องต้นเนี่ยให้ได้อัปนาสมาธิให้ได้พยายามทําอย่างเต็มที่เลยอันนี้ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมครับอาจารย์จะไม่ได้ไปอยากมันนะครับแต่เราต้องรู้ศักยภาพ คว่าเราสามารถจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าศักยภาพก็อยู่ที่เวลาให้การปฏิบัติเรามีว่าพอหรือเปล่าครับต้องต้องวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับพระอาจารย์ไปถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ครับทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนต้องนั่งสมาธินต้อ ง, องทําลองทําวันที่เราไม่ต้องทํางานดูตั้งแต่แเกิ่ขึ้นมาก็เริ่มเจริญสติครับเวลาว่าเมื่อไหร่ก็นั่งเหมือนนั้นก็คือหลับตา ทั้งวันทั้งคืนนะครับาาอาจารย์อย่าเป็นว่าถ้าหลับไปก็ใช้เวลาไม่มากตื่นมาก็ทำอีกออถ้าถ้าต้องทอําเอความตั้งใจขนาดนั้นถูกาาาไหมครับพอาจารย์ใช่ต้องทำให้ขนาดนั้นมถึงจะได้ผลโอ้ครับอาจารย์แล้วเราต้องรักษาสิ่งแปเลยไหมครับพอาจารย์ถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันก็สิ่งแปดมันก็อัตโนมัติอยู่แล้วอครับครับคื อ, อ คือบางทีมีทานข้าเย็นเนี่ยคับอาจารย์โอก็อยากกินอย่างน้อยต้องต้องเสร็งแปดกินมื้อเดียวต้องกินมื้อเดียวต้องทำเหยียดครับคือถ้าจะตั้งใจว่าจะถึงอภินาสมาธิให้ได้หรืออุปจารสมาธิให้ได้ต้องทําเต็มที่ขนาดนั้นเลยทั้งวันและคืนนะครับต้องสละกามสุขอย่าไปสนใจเรื่องกามสุขครับก็คือตื่นแต่เช้ามาเต็มที่เลยนะครับอาจารย์ครับ เพราะว่าวันเนี้ย<ๆ>ตอนนี้ผมสังเกตว่ามันได้ประมาณเดิมครับมันไม่ได้ก้าวขึ้นไปเพราะว่าหอหลักผมทําแค่ปริมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง<ด>อาจจะครึ่งชั่วโมงหลายรอบมันน้อยไปครับพเจริญคือเหมือนกาาับนักกีฬาออนลิมเปตเนี่ยเขาเขาเทรเนทั้งวนันทั้งคนืนเขาไม่ไปทําอย่างหน่งครับถ้าอยากจะได้เหรียญทองของสมาธิก็เหมือนกันต้องเทรนทั้งวันทั้งคครับเหมือนตอนเราเรียนเรียนแพทย์ที่เราต้องทุ่มเทขนาดนั้นนะครับพาจริณ เนี่ยไม่พอถ้าไม่ทํามันจะไม่พอเวลามันจะไม่พอัพพาราจารครับลองด้สักวันหนร่งลรงดูสักวันหนึ่งวันที่เราไม่ต้องทำงานนวันนี้จะยกให้กอบการภาวนาเอื่ออานาสมาธิครับแล้วก็ปิดวาจาไม่ต้องคุยใครเลยไปอยู่ในห้องเงียบเงีนั่งทำไปเลยครัพพาราจารอยู่คนเดียไม่คุยใครไม่คุเคียใครเปิดทีวีครับครับด้านสติ ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ได้แล้วมารายงานอาจารย์นะครับลองดูว่าหนึ่งวันจะเป็ น, ะ อ, น, นอย่างนะครับเ อ, องน้อยดีเราทำดูครับตอนนี้ผมทํำยังถือว่าเอ๊ะทําไมมันไม่เพิ่มเพราะว่าผมอาจจะเต็มที่แค่จัดครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเดียวมันก็ดีขึ้นมาบ้างนิดหน่อยครับพระอาจารย์คือคงคงตัวครับผมเลยเอ๊ยวันนั้นนั้นผมก็สงสัยว่าจะทํายังไงให้ที่พระอาจารย์เทศเรื่องอวันาสมาธิอุปจารสมาธินะครับ เออจะทําไงให้มันได้อย่างนั้นเลยก็ีกวิธีหนึงที่จะช่วยคือบางคับให้อยู่นั่งอ ย, อยู่จุดเดียวจะนั่งก็ได้ยืนก็ได้แต่ไม่ให้ไปเคลื่อนไหวไปที่อื่นครับก็คืออยู่ที่เดียวเลยนะครับอ า, อาจารย์คือนั่งนั่งแบบเก้าอี้สบายก็ได้จะนั่งสมาธิก็นั่งขัดสมาธิก็ได้แต่ให้นั่งอยู่จุดเดียวแต่ให้เปลี่ยนระยาบุญได้ถ้าเมื่อยหรือเจ็บก็ลุกขึ้นมายืนได้ครับให้ยืนแล้วเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่ได้ ครัาอาจารย์กลับขอบพร ะ, ระคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวมผมจะทําแล้วมาไหลงานนะครับพระอาจารย์ในประสงการ์บ้านท่อนนี้ครับหนึ่งวันครับครับอาจารย์ครับาอาจารย์กลับลกลับละมการพระอาจารย์ท่าแสงแข็งแรงนะครับขอบพระคุณครับอซึ่คุณเวลาคอยกลันบ น, นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์โยมเอ่อทานมือเดียวเข้าวพรรษาแล้วก็ทานมังสวิรัติครบเรียบร้อยค่ะ ครั้งนี้ทำต่อสิทําต่ไม่ได้เลยพระอาจารย์คือโยมหญิงไม่ไม่ได้ทานเนื้อสาาาัตว์นะคะโยมหญิงกลัวขาดโปรตีนเนอะพระอาจารย<ม>์แต่ว่าแต่ขาดเราน ร, ร่างกายมันสามารถปรับตัวอาหารให้มันตามที่มันต้องการได้นะคะโยมก็เลยคิดว่าแค่สามเดือนเรารู้มากบา<อ>ทีรู้มากเกินรู้ว่าต้องกินนี<อ>่ ก, กินนี่แต่บางทีขานู่นขาดนี่บ้างร่างกายมันก็ปรับได้ อืมเจ้าค่ะเจ้าลูกสาวบอกว่าไม่หยวไปหมดแล้วลูกสาวลูกสา ว, สาวติงอะกายหียวแต่พระอาจารยอิ่มใจวุ่นกันเลยใช่ค่ะเ<า>พระาะอาจารย์การสามเดือนนี้เป็นอะไรที่ทดสอบเรามากว่าใจเรานิ่งใจเราเฉยเพราะว่าระหว่างทางอะพระอาจารย์เหมือนกับว่าต้องได้ไปทานบุฟเฟ่ไปทานแบบที่เขานั่งไปทานอาหารนะคะตอนนี้แล้วเขาก็จะเสิร์ฟเป็นจานจา น, จาน แล้วแบบเราเราก็จะเหมือนคนประหลาดอะพระอาจารย์แบบเราก็ไม่ได้ทานเลยแล้วก็ทานแต่น้ําเราจะมองอื่นที่เขาทานกันพระอาจารย์ค่ะแล้วก็มองเฉยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรบ่อยมากเลยค่ะทุกมื้อทุกมื้อเย็นเนี้ยค่ะแล้วก็จนครั้งสุดท้ายเหมือนกับแฟนแบบพอเวลาจะแบบจะมีคนนัดแฟนไปแล้วแล้วโยมก็นัดเรียบร้อยแล้วแล้วแฟนบอกเอ้เธอไปนัดทําไมเธอเหมือนคนแปลก แฟนก็ว่าเราแปลกคนอื่นเขากินกันแล้วเราไม่กินมันมันแปลกมันบูเสียมารยาทเนี้ยค่ะแล้วโยมถึงก็บอกอ้าวเราไม่เห็นรู้สึกแปลกนะก็ปกติก็เราไม่กินคนอื่นก็กินไปแล้วก็กินน้ําก็ไม่เห็นจะแปลกเลยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่เรากลับกลายเป็นถูกมองว่าเราเป็นคนแปลกเพราะเราคนอื่นเขากินกันแต่เราไม่กินเจ้าค่ะงงก็ไม่รู้สึกมัน้ําปฏิเสธไปเรืนึยเรอย่าไปเรื่อมา จะไม่ต้องไ ป, ไปวันเดแต่เราก็รังเพราะอกเอาเธอไม่กินเหรอบอกอ๋อไม่อะค่ะพอทานแค่ถึงเที่ยงค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อุ้งเก่งตั้งอยู่ได้ยังไงหนิงก็ยิ้มแลทานน้าค่ะอลไรก็อย่างเงี้ยไปแต่ก็เพิ่งมันรู้ค่ะแฟนเขาก็ว่าเราแปลกมาช้ามั น, ม, น, ม, น, ม, นมันไปเปิดประเด็นขึ้นมาดูอย่าไปดีกว่าปฏิเสธไปเลยถือศีลถือสีลแปดไม่กินอาหารมังเที่ยงวันไปแล้วใช่เจ้าค่ะ สเดือนสบายมแต่สมัยก่อนตอนที่ถือใหม่ๆอะคะ่ะพอเราแกะส้มตำหรือแกะอะไรพระอาจารย์มันเห็นน้ําลายที่มันมันออกมาในปากเต็มไปหมดเลยค่ะแต่พอหลังจากนั้นเราก็ปกตินี่เป็นเรื่องธรรมดามากค่ะพระอาจารย์ก็สาเร็จเรียบร้อยค่ะอับนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแต่ว่าถ้าต่อไปก็จะพยายามไม่ทานมื้อเย็นนะคะพระอาจารย์อาจจะทานเนื้อสัตว์ได้ปกติแต่อาจจะละเว้นมือเย็นเอย่าไปอาจจะต้องต้องไม่ต้องเลือกเลย <laughs> อย่างจะเอาถ้าอยากจะก้าวหน้านี่มันเดินถอยหลังเนี่ยนี่อย่าเดินถอยห ล, งยยลังเนี่ยเดินมาเดินก้าวหน้าม า, าสามเดือนนะใช่ค่ะสามเดือนจะขอถอยหลังมาเลยวันนี้เพิ่งทานสลัดไปว่าอตอนแรกหนิงก็ลืมอะค่ะว่าจานวะเที่ยงเออหนิงจะหิงจะไม่ทานลูกบอกมามาออกแล้วมาทานได้นะมาลืมหรือมาทานได้แล้วนะตอนตอนเที่ยงค่ะเขาก็ลูกสาวก็เลยพาไปทานสลัดก็เลยอ่ะโอเคก็มือนี้ทานไปเรียบร้อยแล้วค่ะพรอาจารย์ แย yeah, ่อาจารย์บอกว่าถอยหลังอะถูกต้องเลยเจ้าค่ะสาม mm hmm. เดือนถึงปกติมากเพาราจะรู้สึกเฉยปก ต, mm hmm. ปกติธรรมดาเลยค่ะ mm hmm. แต่น้ําหนักลงนะคะพระอาจารย์เหลือแค่สี่สิบเจ็ดสี่สิบปดเองค่ะในเวลาช่างหัวมันเนี้ยน้ำหนักมากน้อยไม่สําคัญใช่ค่ะำ ค, คะำทำ ใ, ใจขอให้ใจมันอิ่มใจให้มันมีพลังดีกว่าใช่ค่ะพก็เดินต่อไปค่ะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าให้ อย่าอย่าจะใช่ไหมคะอย่าจั okay. ดโอเคจะเริ่มใหม่ค่ะระอาจ า, ารย์ <c oughs> แต่อาจจะเป็นบังมือพระอาจารย์คือเราอยู่กับแฝง น, นะคะโอ <Okay. S 2> เคโอเคเป็นเังงมือพระอาจารย์เป็นบังมือแต่สามเดือนน่ะแน่นอนจะข่าพระอาจาราายา์ก็ใจค่ะเดี๋ยววันวันที่พรุ่งนี้ค่ะโยมจะเดินทางไปหนองคายแล้วก็ไปอุดรไ ป, ไปวัดวัดป่าดานวิเวกับหลวงปู่ทุยแล้วก็ไป วัดหลวงตาค่ะวัดป่าบ้านตากแล้วก็วัดป่าบ้านใหม่หลวงปู่คาดแล้วก็หลวงพ่ออินถวายอาจจะไปหลวงพ่ออินด้วยอะค่ะเดี๋ยวจะเดินทางขับรถไปพรุ่งนี้ค่ะ hmm. ขับรถไปไม่ได้นั่งเครื่องนะคะเพราะว่าแฟนเขาไปด้วยค่ะ่ hmm. <Okay. S 2> คะไปกระถิน่นจ้ะค่ะเพะ่อจันพ่อจใจค่ะเร็วๆนี้ยแม่้เมื่อสักครู่นี้เองค่ะยมก็มีข้อทดสอบใจนิดนึงเหมือนก็ห่วงห่วงลูกแล้วก็เหมือนกับน้องน้องเลนเขาเพิ่งไปตรวจเลือดอะคะ่ะวันนี้ยปรากฏว่าเจาะเลือดมา คอเลสเรอลเขาพุ่งไปสามร้อยกว่าเลยพระอาจารย์แล้วก็ L D L ไขมันเร็วเขาสองร้อยกว่าเลยพระอาจารย์แต่ไขมันอีเข้าหกสิบกว่าเด็กเด็กทานได้เหรอคะพระอาจารย์อ่ามันทานไม่ได้ต้องไม่ค่ะหมอก็ไม่รอกเลยยังค่ะวันวันนี้เขาพุ่งไปเจาะเลือดเฉยๆแล้วเดี๋ยวพรุ่นี้ก็ถึงจะพบหมอค่ะอเดี๋ยวหมอก็ต้องให้กินนั้งเนอะน่ากลัวมากเลยค่ะแต่เขาก็ทานไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วหรือ ไขมันหรือเลยนะคะแม่เขาคุมมาหารแล้วก็ A อวันซได้หกหกจุดสามก็ A อวันซก็สูงขึ้นจากเมื่อก่อนเขาประมาณเกือบเกือบหกทุกอย่างสูงขึ้นหมดเลยน่าจะเป็นที่ร่างกายเขาเขาควบคุมไม่ได้ไหมคะอาจารย์สงสารมแม่เขาอ่ะหญิงสงสารแม่เขามากเลยเขาเพิ่งขึ้นตอนนี้เลยว่าเพิ่งขึ้นค่ะก่อนหน้าก่อนหน้านี้เมื่อสามเดือนที่แล้วเขาแค่เขาแค่ประมาณร้อยหกสิบ ตัวไขมันเร็วนะคะแต่ตอนนี้ไขมันเร็วเขาไปสองร้อยสามสิบห้าเลยพระเจ้าอันนี้เรานนมีอะไรผิดปกติแล้วขึ้นแบบพวกหาพ น, นะสามใช่ค่ะสามเดือนน้องเลนจะตรวจเลือดทุกสามเดือนพระเจาสงสารสงสารแม่อันนี้ต้องให้หมอมุ่งให้คุณหมอก็ดูแลใช่เจ้าค่ะเพระเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกสาวจะไปหาคุณหมอคะ่ะแล้วก็วันนี้ลูกสาวก็เพิ่งเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนน้องเลนนะคะเขาก็เหมือนกับเขาก็แบบ ไปไปบอกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าเธอเธอดูเด็กคนนั้นสิมีอะไรห่อยอยู่ที่ท้องด้วยน่าเกียดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเขาก็ถูกบูลลี่อาจารย์หนิงก็เลยสอนลูกบอกว่าอันเนี้ยเราไม่สามารถไปห้ามใครได้เลยเราต้องสอนลูกสอนหลานเราว่าใจอย่าทุกข์ก็ต้องสอนให้รู้ว่าคนเรามันเจ็บไข้เป็นเรื่องปกติอาจารย์ทุกคนจะต้องเจอเพียงแตวน้องเลนเจอเร็วไปหน่อย มันหนีไม่พนะ้นเนี่ยก็ต้องให้เขายอมรับและใจเขาแบบต้องให้เขารับใจเขาจะได้ไม่ทุกข์นะพระอาจารย์ยิงสงสาร <c oughs> จัง <c oughs> สงสารมากเลยพระอาจารย์สงสารทั้งลูกทั้งหลานเลยถึงว่าถึางพยายามทําใจเลยนะพระอาจารย์แต่ว่าพอลูกแบบเห็นเขาแบบเขาเหนื่อยพระอาจารย์น้องลุกเหนื่อยมากแล้วกลางคืนะน่ะน้องลูกอะ่ะเขาแทบจะไม่ได้นอนเลยเพระาะารคือเขาจะ คอยมาดูน้ําตาลลูกอะ่ะพอแบบเขาจะมีติดเครื่องไหมคะจะมันจะแบบต่ําำจะต่าจะสูงเครื่องในเครศัพทมันก็จะเตือนแล้วมีอยู่วันหนึ่งยอมยมไปทําสมาธิเดียวยมจะแบบตื่นมาทําสมาธิประมาณตีสามครึ่งตีสี่อะค่ะพอยมตื่นไปทำสมาธิเสร็จแล้วยมเอ๊เสียงโทรศัพท์เขาดังตือนเตือเือือนเอแล้วก็เลยเปิดประตูเข้าไปโอ้โหเขาหลับกันสนิทเลยพระอาจารย์ปรากฏว่าน้องเรนค่าน้ําตาลนะคะลงไปเหลือประมาณสี่สิบกว่าแล้วแบบ แล้วโยมก็ไปปลูกดีที่โยมเข้าไปปลูกไปปลูกลูกสาวอ่ะค่ะเขาก็เลยต้องมานั่งกดปั๊มให้แบบว่าให้ใหให้น้ําตาลมันขึ้นกดกด อ, อินซูลินกดแล้วของเขาที่ปั๊มอ่ะค่ะถ้าไม่งั้นน้องเลนก็จะแบบว่าหลับไปเลยหรือไม่ก็แบบช็อกไปเลยเพราะว่าน้ําตาลมันต่ําค่ะพระาอระาจารย์ลูกเขาเถอไม่ได้ ม, มันเหนื่อยไม่ได้เลยพระอาจารย์เหนื่อยจริงๆวะเราก็เนาะการมาเกิดมันเหนื่อยเงี้ย จะเกดดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยจริงพรอาจารย์แล้ววันนี้โยมฟังทำพอดีมันเฟสมนเด้งของพระอาจารย์ตันขึ้นมาค่ะท่านก็เทศหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าอะค่ะพระพุทธพระพุทธเจ้าเราอะค่ะกว่าท่านจะแบบเป็นพระพุทธเจ้าว่าสร้างท่านเพียรสร้างบา ร, รมีตั้งกี่กับกี่แสนกี่การกี่เกิดเกิดกี่ร้อยชาติเพื่อเพื่อมาบำเพ็ญเพียรแล้วก็เพื่อให้รู้ทางเห็นการค้นทุกข์อะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ แล้วก็เพื่อมาสอนเราเพื่อมาโปรดสัตว์ทั้งหลายนะพระอาจารย์แต่แต่ขณะที่พโยมฟังเสร็จนะพระอาจารย์พยมมีความคิดว่าแล้วพวกเราล่ะตามืดปอดขนาดเนี้ยโห พ, พระพุทธองค์ทรงเมตตาแบบบรรลุแล้วก็มาสอนเราแต่เรายังแบบว่าเออระเหอยังไม่ยอมไปตามทางที่ท่านสอนอะ่ะพระอาจานนะรย์นบท่านแบบพระพุทธเจ้าทั้งสุดยอดจรงิจรงๆอะเจ้าค่ะเรายังขนาดรู้ทางท่านสอนแล้วเรายังไม่ทาตามอะ่ะพระอาจารย์แบบเรายัง เรายังหล่อแหลกหล่อแหลกหล่อแหลกอยู่เลยค่ะพระอาจารย์อนนี้ยังอยากจะจริงเข้าวเย็นอยู่ก็ยลกลัวว่าร่างกายขาดปกตีนะเจ้าค่ะขาดไม่ขาดเดี๋ยวมันก็ตายยังไงมันจะตายไม่ได้ตายเพราะขาดแล้วไม่ขาดหรอกใช่พระอาจารย์จริงเลยอวันนี้ยลตายบ่อยๆนึกถึงความตายบ่อยๆจริงอ่ะวันนี้ยลยังฟึ่งกอบลูกอยู่เลยค่ะว่าเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเด็กมามาเพิ่งฟังทำว่าม้ายังหรอแหละรอแหละแต่สุดท้ายม้าก็ยังยังอยากอยู่ดีอ่ะก็ยังมีควา ม, ม อ, ยาอยากอยู่ดียังยังไม่เพียนเข้มอยู่ดี<ม>อย่างที่ยังอยากทานข้าวอยู่ดีใช่อย่างที่พระอาจารย์บอกเลยเนาะค่ะใช่ที่เลยมัน<ด>มั น, ม, น, ม, นมันเก่งมันมันเราเราได้ตลอดเวลาจริงค่ะพระอาจารย์ เราเกิดคนเดียวก็เป็นทุกข์อยู่แล้วว่าพอเราเกิดมาเรายังอยากมีคู่ครองอยากมีลูกอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วความอยากนั่นแหละมันนํามาซึ่งความทุกข์อย่างลูกสาวยังเห็นแลว้วเขาทุกข์มากๆเลยพระอาจารย์แล้วเรามีลูกเราก็ทุกข์ทุกข์ปะเราก็เนี่ยเราก็สงสารเราก็ห่วงเขาทุกหมดพระอาจารย์หญิงขอเดินตามทางวอ่าเรียปฏิบัติซะเี่ปฏิบัตินะต อ, ยอย่าถอยหนังเคยรักษาสามเดือนได้รักษาต่อไป ทำไมต้อเลิกไม่มีเหตุไม่ผลต้องเลือกเลย ม, มีเหตุผล<อ>ไม่ต้องเลิกกิเกลสกวบขาดโปรตีแหละพระอาจารย์น่ ง, คงกคนที่เขายากจนเขาเท่าแอฟริกาเนี่ยเขาพร้อมหรือแต่หนังหุ่มกระดูกเขาก็ยังไม่ตายเลยค่ะพระอาจารย์ยอมรัปากแล้วลว่าค่ะแต่บางมือนะคะพระอาจารย์ ตามเหตุและปัจจัยเจ้าค่ะแต่พยายามหรื่องมันมันขัดกับความตั้งใจว่าอยากจะทําำตามพระเจ้าพอถึงเราทำจริงจริงอะโดยมยังโดยมโดยมังมีมันยากพระอาจาร <c oughs> ย์แล้วมันพูดอย่างนี้แล้มันฟังมันขัดทูอ่ะโดมนมึี้จากหลังว่าเกิดเขาไปทานไปกาแฟแล้วเขาทานแล้วไปกันสองคนเงี้ยพระอาจารย์โดมก็แปลกอีกไ อ, ก อ, กอทีคิดถึงพระเจ้าว่าท่านมันเป็นเพีนเป็นร้อยกับร้อยแสน อ๋อพอถึงเวลากินที่เริ่มพระพุทธเจ้าเลยมันยังห่วงอ่ะพระอาจารย์จะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ ย, ย, ยการมีครอบครัวมันเป็นอย่างเนี้ยพระอาจารย์มันต้องคนเดียวต้องคนเดียวจริงๆพระอาจารย์มันถึงจะไปได้ใช่ทำไมพระพุทธเจ้าถ้าออกบวยใช่ใช่พระอาจารย์มันต้องตัดให้หมดอืแต่ว่ายังไม่มพรอมยังไม่มีกําลังสูดกินไม่ได้มันยังมีห่วงพระอาจารย์ พระอาจารย์ค่ะโยมอะเคยฝันครั้งหนึ่งว่าโยมเหมือนกําลังจะจากกาลังจะจากเหมือนกําลังจะจากแล้วแล้วพอขณะที่โยมกําลังจะจากความรู้สึกว่าความห่วงอะมันห่วงมันห่วงอาทรมันรักมันไม่อยากจะจากโยมมีความรู้สึกอย่างนั้นครั้งหนึ่งโยมฝันครั้งเดียวพระอาจารย์โยมโยมไดคิดว่าอ๋อเวลาคนจะตายอ่ะมันมีอาการอย่างนี้นี่เองค่ะมันไม่อยากจากมันรักมันห่วงมันคิดถึงมันมันที่สุดเลยพระอาจารย์ ก่อนก่อนที่โยมจะเดินทางมาปฏิบัตินะเจ้าคะ่ะ<ต>ใช่แต่การปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้ใช่ค่ะตอนนี้โยมพอจะทําได้ค่ะโยมตัดได้หลายๆอย่างแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอันนั้นคือเส้นทางก่อนที่โยมจะเข้ามาบวชพอรู้สึกโยมฝันน่ะโยมรู้เลยว่าอหูมันมันตัดยากมันรักมันหวงมันห่วงที่สุดพระอาจารย์แต่ตอนนี้โยมรู้แล้วโยมเข้าใจโยมจะพยายามคเจ้าค่ะอ่าแล้กินข้าวเย็นให้ได้นะ อ่ามพจะพยายามเจ้าค่ะจะพยายามค่มจจะจ า, าทำทำในสิ่งนี่ทําได้วันทำมาแล้วทำไมไม่ทําต่อนะถ้ามันไม่เห็นไม่ผลต้องต้องกินก็ว่าไปายามทาไมสามเดือนยังไม่กินนี่ก็ยังทําได้ไยังดื่ได้ใช่ค่ะค่ะ<ต>พยายามเลยก็แล้วกันพยายามนะคะเลี้ยงได้ก็ี้งค่ะ จะพยายามค่ะพยายามคือเรแค่จะไปกับเขาสองคนอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามว่าเรานี่มาอาจารย์ขอถูกแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ขนถูกแล้วกับคนอื่นไม่เห็นบังคับขอเลยที่คนอื่นไม่เลยค่ะเดยวจะพยายามค่ะแล้วได้ถ้าทําได้เดม๋ว่ามันต้องมีเวลาค่ะถึงว่าเวลาค่ะเวลาเท่านั้นเองเาจารย์มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาอย่าว่ากันนะพอดีคุยกันมีเรื่องให้คุยก็ไหวบไปตามเรื่อง ไม่ได้จำจกว่าจะเจ้ายังรู้ค่ะยังเข้าใจค่ะว่าเจ้าเจ้าหนูคนเดียวคนอื่นไม่ทําคนอื่นก็ฟังอยู่เพราะรู้ว่าหมายถึงเขาด้วยรู้เปล่าถึงว่าทุกคนอ่ะตั้งใจเหมือนกันหมดเจ้าค่ะเดี๋ยวด้วยมีห่วงค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าคนเดียวถีงว่าไปมากเวลาไปบวชเราสบายมากเลยค่ะพระอาจารย์เราตัดจุกอยงเราได้สบายมากค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวตอนสิ้นสิ้นปีอะค่ะโยนก็บวชสิบห้าวันเจ้าค่ะที่ตานางเลยนางค่ะเขาเป็นบวชแบบเจริญสติปัญสีเจ้าค่ะ คือเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยเจ้าค่ะดีดีค่ะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ขอรับษาการรักษาทานขันเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับขอไปครับเอ็อเคอยู่ข้างล่างนะครับอาจารย์เอ็นเคมาแล้วเดี๋ยวให้ปอดเปิดเสียงพีเแทน .K เนเครรมาตาราเจ้าค่ะขอคุณพระอาจารย์นิลุกเอ็นเคและพีเคเอเหรอพีค่ะพอดีพี เอเออเอออยู่โรงพยาบาลครับแสดงวีการมอะไรครัาเอนเก่าะเนี่ยไทำอะไรเข้าอ่ะบอกอาจารย์เป็นไรดิคบอกอาจารย์เป็นเป็นอะไรครับเจอะน้ำเกลือคราบอาจารย์อ๋อเจ็บหมเป็นลกเป็น HMPV ครับเป็นโรค HMPV ครับอาจารย์อ๋อเป็นยังไง มี้แลก็ไอครับมีอะมีไข้แล้วก็ไอครับอ๋อมีไข้แล้วเจ็บไหมปวดไหมเจ็บปวดไหมไม่เจ็บคัพบพาใจอ๋ออ๋อใจต้องสู้นะรู้ปะ่ปะตอนตอนที่จอดน้าเกลือ ท, ทำไงเพราะว่าแฉตอนจอดน้าเกลือท่องนโมตัสสะดังลั่นลิ้นชักโอ้ <laughs> ออข้าวมาข้าวมายังไง้นี่ย เขามาตั้งแต่เมื่อวานค่ะพรอาจารย์ค่ะโอตัวโต้โอตัอตออวโตก็เมื่อวานเมื่อวันศุกร์เกิดอาการไข้ขึ้นมาเลยเขาไอค่ะที่โรงเรียนไปเมื่อวันจันทร์ไอแล้วคุณครูก็เลยโทรเรียกให้ไปลาบค่ะก็ลเลยพามาโรงพยาบาลตั้งแต่วันจันทร์มารอห้องเต็มหมดเลยค่ะอาจารย์ช่วงนี้คนป่วยเยอะมากเลยค่ะอโชคดีมีห้องหนึ่งว่างอยู่ทั้งโรงพยาบาลนะคะทั้งห้องเด็กห้องผู้ใหญ่เต็มหมดเลย แม่ก็ต้องมาอยู่ด้วยค่ะก็ทำงานจากโรงพยาบาลจนถึงวันศุกร์เลยค่ะทีนี้เนม่ยใจแม่อยู่กับลูกนะลูกไปไหนแม่ก็ต้องไปด้วยอยู่ยาวเลยวันศุกร์ค่ะอาจารยขอให้ทัดแข่งแข็งแรงนะคะช่วงนี้ flu air f ร, ระบาดมากเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะ มันเป็นก็ต้องเป็นอ่ะทำไมไม่ไดรผ่านไปเร็วนะครับโอเคคุณนายมีอะไรหรือเปล่าอไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรไอ๋อไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนึกว่าผ่านไปล้วค่ะนึปิดหมค์จะได้โอเคอ่าน้องอมเชยน้องอ จองที่พักไว้วันไหนนมาส ก, การค่ะเอ่อวันอาทิตย์นี้ค่ะพระอาจารย์นี้คืนเดียวสองคืนค่ะ อ, อสองคืนโอเคเออกาจะทําอะไรบ้างสองคืนนี้เอ่อก็นั่งสมา ธ, ธิแล้วก็เดินจงกรมค่ะอ๋อเป้าหมายมีเพื่อกําจัดอะไร <laughs> ก็ให้มีสติค่ะพระอาจารย์อ๋อยังไม่ที่จะกําจัดอะไรเพียงแต่ให้มีสติ <laughs> ก็ความกลัวก็ ก็ได้อยู่ค่ะก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนอยู่คนเดียวได้อยู่นี่ยค่ะอยู่ได้ค่ะกําจัดไปเยอะแล้วค่ะแฟนเขาเป็นห่วงไหมไม่ค่ะแฟนยิ่งอยากให้ไปเอเมื่อเช้าพระอาจารย์บินทบัตตรงจุดไหนคะวันเช้านี้เป็นที่ที่กุเตะไม่ได้ไปไหนหยุดหนึ่งวันปฏิทินทางวัดที่เขาจัดตักบัตรเทวทิวทิวัต ก็ให้ท่านเจ้าวาท่านเป็นหัวหน้านาถ้าเราลงเราก็จะไปไปบางท่านนะให้ท่านเป็นเจ้าวาให้ท่านเป็นหัวหน้าก็าเลยไม่ได้ลงแล้วก็ถ้าเราลงเราก็ต้องห้างรถเอกมันเห่ยก็เลยฉละสิวันหนึ่งพอดีเมื่อเช้าไปแล้วไม่เจอผ้าจาเอเม่เช้าไ ม, ไ, ไม่ได้ลงมาหลายปีแล้วหลักวันที่ย แต่มีเจ้าวานมาเนี่ยเราก็สละศีล oh. เพราะว่าก็อยากให้ท่านเป็นหัวหน้าแล้วญาติโยมจะได้รู้จักท่านถ้าเราเป็นหัวหน้าเ้าก็จะรู้จักเราญาติโยมเฉยๆจะไม่รู้จักา้ารูปอื่นจไม่รู้จักแต่หัวหน้าใช่ไหมเมื <c oughs> อ่อเช้าไปแต่เช้าก่อนไปทำงานนะคะพระอาจารย์อืมก็ดีไทยไทยก็เหมือนกันนะได้บุญเหมือนกันนะค <c oughs> บุญอยู่ที่การเสียสละไม่ได้อยู่ที่บุคคนที่รับของของเราถ้าเราใส่บานไม่ได้ใส่อะไรเล ย, ยนี่มันก็ไม่ได้บุญไปแต่เมื่อใส่กับพระพุทธเจ้าใส่กระดาษเปล่าก็ลงไปนีมันก็มันก็ไม่ได้บุญบุญอยู่ที่การที่เราเสียสละทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองของเราสละมากก็ได้บุญมากสละน้อยก็ได้บุญน้อยไม่ได้อยู่ที่วนันว่าวันนี้วันต่างบาทเโว ทำบุญบาทเดียวจะได้เท่ากับร้อยบาทเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทำบุญบาทเดียวไม่ว่าจะทำวันไหนมันก็ได้บาทเดียวทำบุญร้อยบาทจะทำวันไหนมันก็ได้ร้อยบาทมันไม่ได้อยู่ที่วันมันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับด้วยซ้ํำไป er อยู่ที่การเสียสละของเราอ่าแก็อย่างหลวงประเด่นคนชอบหลวงประเด่นเอ้ยเรามีเงินน้อยทั้งเราทำวันวันสทำาการทําวันเราจะได้ได้บุญมาก ไม่จริงน่ะทำวันนี้ก็ได้ไม่ต้องไปรอวันข้างหน้ามีท่านนี้ก็ทำท่านี้ไปอ่าเข้าใจไหมค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีคำถามค่ะไม่มีแล้วค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์เฉยๆค่ะโอเคสาธุอาจารกุณดุษฎีศิยาดุสฎยามีสองชื่อ คุณแม่อยู่อีกจอหนึ่งมัม้งมาตรการค่ะพระอาจารย์นึกว่านึกว่าคุณแม่จะมาเข้าใจกันปรากฏว่าคุณแม่ขับเข้าอีกห้องนึงค่ะเดียา ก, กันเลยมีอะไรไหมไม่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มันนี้มาเข้ามาฟังธรรมค่ะเดี๋ยวนี้ยังปฏิบัติธรรมเยอะว่าเดี๋ยวนี้เหรอคะอ ม, มีคะ่ะแต่แต่น้อยคะ่ะหมายถึงถ้านั่งสมา นั่งสมาธิไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่ไม่เมืนเมื่อก่อนนี่ทำไมล่ะมันจุดมันจุดจางไปอย่างงั้นเลยมันไม่ได้จุดจากไฟกาชาฌา์แต่มันไม่เยะใจทให้เราไม่ได้ทํำมันมันมันรู้มันรู้สึก มันรู้สึกเครียดเครียดอะไรบางอย่างค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแล้วก็มันไงตอนนี้งานยุ่งคะ่ะแต่ว่าโชคดีเดือนนี้มันเริ่มเบาลงแล้วค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็พยายามที่ผ่านมาพยายามใช้ใช้ปัญญาให้เพราะสนให่เวลาใช้ปัญญาแล้วมันหายไปแต่จนสักพักหนูลืมไปว่าจริงๆสมาธิมันก็เหมือนเป็นยาระงับปวดได้เหมือนกัน mm hmm. ก็มาเริ่มเริ่มตั้งสติแล้วก็บางทีก็พักเบรกเหมือนแค่หายใจหรือใช้ส ใชว้วิธีใช้สติสั้นๆในแต่ละวันนะคะพระอาจารย์ก็เริ่มดีขึ้นอือาจจะมันมีมันมีความบีบคั้นอะไรเกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามต้องใช้สตินะวัญญาณตอนนี้มันยังไม่มีกําลังมัน ค, คิดได้แต่มันทําตามที่คิดไม่ได้หรอกวิญญาณว่าไม่มีสติคอยสนับสนุน ต้องสติก่อนแล้วปัญญามันถึงจะมีสติปัญญาไปด้วยกันปัญญาอย่างเดียวนี้มันเพียงแค่ความคิดใครๆก็คิดได้เด็กเด็กก็คิดได้แต่ทำไม่ได้คิดจะไม่กินข้าวเย็นนียก็คิดได้ปัญญามองกินข้าวเย็นไม่ดีก็คิดได้เอ่อยาให้ทำมันทำไม่ได้เพราะไม่มีสติไม่มีกำลังจะสนับสนุ น, น, นต้องเพกสติให้มาก สติเนี่ยมันตัวผลักดันการปฏิบัติให้ก้าวหน้าถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีไม่มีทางที่จะก้าวหน้าได้พระพุเจ้าเปรียบเทียบสติว่าเป็นเป็นหมนเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าปัญญาสำคัญยิ่งกว่าสมาธิเพราะว่าปัญญาแลืสมาธินี้ถ้าไม่มีสติก็เกิดขึ้นไม่ได้ ที่ <açık> เราเรียกว่าปัญญาปัญญาไม่ใช่ปัญญามันแคสังขารความคิดปรุงแต่งใครๆก็คิดได้คิดรักษาศีลคิดภาวนานี่อะไแต่ทําไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ถ้าทำได้ถ้าถ้ามันคิดแล้วเป็นไปปั๊บก็ดีคิดเป็นสัสดาบาลไปเลยคิดเป็นอนาคามี์ไปเลยคิดเป็นอรหันไปเลยใครๆก็คิดได้แต่ทําไม่ได้ก็ มันไม่ใช่เป็นปัญญาปัญญาต้องมีสติก่อนญญตอสติใ น, นระดับอัปปนาสมาธินี่มันจะสามารถขับเคลื่อนทางั้นให้ปัญญาทําหน้าที่ตัด ก, กิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจงันอย่าเพิ่งไปอย่าไปหลงคิดว่าเราใช้ปัญญามัยังไม่ใช่ปัญญามันแค่ความคิดความคิดที่ไม่มีสตินึงมันก็ไม่มันก็ไม่มีพลังที่จะทำให้เกิดเป็นธรรมขึ้นมา เป็นพยายามฝึกสตินะนย่เราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันทั้งแดดเราต่นขึ้นมาแล้วก็มีพุโทโธก็ได้คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องรองาวต่างๆเราดูร่างกายว่าเราทําอะไรอยู่ก็ได้อือยู่กับร่บางกายไปอยู่กับพุโทโธไปเพืออ่อที่จะหยุดความคิดก่อน เพาะความคิดเหล่านี้มันเป็นความคิดของกิเลสเป็นส่วนใหญ่ีคิดให้เราไปหาหาเงินหาทองหาลาบหายุทธาความสุขอยากลบเสียงดีรดมันไม่เคยคิดว่าจะไปหาธรรมแล้วไม่เคยคิดจะไปปฏิบัติธรรมเลยค่ะพรอาจารย์บางทีมันคิดงานแล้วมันมันไม่มันไม่หยุดมันมันมันตื่นมันไปต่อเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะไม่มีสติหยุดอะไรอย่างนี้ย ะอาจารย์โอเคไม่มีอะไรนะค่ะครับไม่มีอะไรค่ะจะใช้จะหลับจะนาไปใช้ค่ะอาจารย์โอเคไปที่คุณแนนต่อแนนอุดรลองก่นลองไว้เพืกัรเพื่อทุกมีคำามก็ค่ะแนนได้เคยไปกาบหลวงตาที่เจดีย์ของหลวงตาบ้างไหมไปสองรอบแล้วก็ค่ะไปองราบเลยเป็นยังไง ดีเจ้าค่ะได้เข้าไปในจิตกิษพันธ์เจ้ค่ะดีกับภาวนาไหมดีตรงก็เห็นถึงความภาวนาของตาไดเอามาเป็นตัวอย่างค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราต่อค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทำเองเจ้าค่ะแต่ชื่อภาวนาไม่ได้นะใช่เจ้ค่ะโอเคจะภาวนาดีจริงๆเจ้าค่ะ แต่าลงประเน็ออย่าลงประเด็นนะแล้วกิเลสมันชอบหลอกให้เราไปที่ไกลๆห่างไกลจากภาวนาอือมีแต่อยากไปใส่บาตรอาจารย์ละมันไม่เคยหอกเราไม่ไม่เคยชวนเราไปภาวนาเลยก่เลสสําเกตดูมันจะชวนเราไปทําบุญทําทานช่วงนี้กระถินเยอะไปวันนู้นวันนี้ไม่เคยมันไม่เคยชวนเราไปภาวนาเลยใช่ไหม เข้าห้องนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยพูดแต่เรื่องภาวนาะมนตลอดมันกลทำให้ข้าวเสื่งใจนะแปลกนะหนูไม่ค่อยไปกระถิน่นกันแล้วเห็นแต่ละคนมาเล่าก็ว่าวันนี้ไปทําบุญที่นั่นไปทําทานที่นี่ไปหล่อพระที่นู้นหล่อพระที่นี่ไม่มีใครไปภาวนาแนละ้วโอเค พว้ <P ul ly> ให้เป็นข้อคิดให้เป็นข้อคิดะจะได้มีอะไรเตือนใจมากว่าเออเราต้องภาวนานเนื้อหนังของเนื้อหนังมังสาของศาสนาอยู่ที่การภาวนาวิมุตเตหลุดท้นนิพวิมุตเตนิพพานาอยู่ที่การภาวนาแล้วค่ะโอเคอเรือเอ่องน้ำไปปฏิบัติเถะค่ะขอบคุณเต๋าค่ะอาจารย์ผมไม่รายต่อ อาจารย์ก็จะไปพาวนวาที่ญี่ปุ่นเนี่ยนววัศการพระอาจารย์ค่ะกับนวัศการพระอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงก็วันนี้ไม่ได้หลับยังตื่นอยู่นั่งฟังอยู่ครับอ่เป็นยังไงดีไหมดีฮะปรับเวลานอนดีขึ้นครับอ่ก็จะได้ตื่นสายหน่อยคือตื่นตีห้าแทนที่จะตื่นตีสี่อ่ ก็โอเคครับแล้วก็ไม่ต้องตื่นบ่อยระหว่างคืนคืนโอเคครับก็ต้องดูแลรักษาร่างกายนะพอัะอผ่านหลับนอนไดตอนนี้นโอเคครับรู้สึกว่าแข็งแรงดีฮน ะ, ะดี่ไว้แข็งแว้นานๆานอยู่เปนานๆา น, า น, นะ <laughs> ยยรับพรนลยคะะรับพรเลยกะ <Okay. S 2> จะได้มีเวลาปฏิบัติเยอะๆถ้าเวลามีเยอะนะคะแต่ปฏิบัติได้ได้เป็นช่วงๆท่านั้นเองโ okay. อเคเท่าเท่าที่ทำได้ไปก่อนค่ะเพราะใช้ในชีวิตประจำวันก็มีสติกันยอยู่ของของพระจาจะเดือนนี้ก็หนาแ น, น่นนะฮะเจอกจะทุกวันวันเว้นวันสี่วันทั้งหมด <laughs> เดือนนี้ฮะสี่ <laughs> วัน <laughs> แล้วกังเคิลอีกสิบสองวันเาทิตยอาทิตย์อาทิตย์ละสามเลยทํำให้ก็ไม่เป็นไรมีคนติดตามเยอะก็โอเคไม่ไม่เหนื่อยะไม่เหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยเแล่าตอนนี้ก็มีเด็กๆเข้ามาเยอะเลยฟัมเพลิดเพลินดีฮะโอเคฟังกันทุกเรียกว่าทุกวีก่ะเหมือนสมัยก่อนตามดูตามดูทุกวีก ไม่เคยไม่ไม่พลาดค่ะโอเคสาธุค่ะทุกท่านก็อ่าไปที่คุณซันนี่ต่อซันนี่เมื่อกี้มีภาพแบ็กกราวน์นี่เอามาจากไหนเราสามารถใส่เข้าไปได้เองอะอ๋อใช่ค่ะพระอาจารย์สามารถเลือกเลือกเซฟภาพลงในของหนูเป็นโทรศัพท์อะค่ะแล้วก็เลือกใส่ในซูมได้พอดีตอนกลางวันมีประชุมก็เลย ใส่บาตรเกาวไว้วันนี้ไม่มีคำถามค่ะการปฏิบัติก็ถ้าิชาในออกออกพรรษาที่ผ่านมาเข้าพรรษาเข้าพรรษาที่ผ่านมาค่ะก็ยังยังได้แต่การอธิษฐานค่ะยังไม่ค่อยได้สัจจะเท่าไหร่ที่ว่าจะเพิ่มเวลาการปฏิบัติ เพราะว่ายังยังทำได้ไม่ครบทุกวันนะคะที่จะเพิ่มเป็นสองชั่วโมงทีนี้เพราะว่าตอนกลับมาจากที่ทางานแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยนะคะพอพอนั่งพักอะไรค่ะก็โดยมากจะเลยยาวไปตอนนี้หนูก็เลยจะเปลี่ยนเป็นมาทำตื่นเช้าขึ้นแล้วก็ทำตอนเช้าแทนค่ะค่ะอาจารย์แต่ว่าก็ยังยังขอเป็นอธิษฐานอยู่เหมือนเดิมค่ะยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ขนาดไหนแต่ได้ทำทุกวันใช่ไหม แต่ว่าต้องมีนั่งนั่งทุกวันค่ะอย่างน้อยก็คือเอ่อหนึ่งชั่วโมงที่ปฏิบัติอะค่ะแต่ว่าอาจจะนั่งได้ไม่ถึงอาจจะบางทีแล้วแต่กำลังของสติในแต่ละวันประมาณตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนาทีค่ะว่าอาจารย์ค่ะแต่ก็พยายามจะพยายามฝึกให้มากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่อง ป, ปริมาณกังวลนรื่งคุณภาพนี่ย<ห>ค่ะอาใช่ค มันสงบด้วยต้องมีสติเน้นที่สติอย่างเดียวอ่ะก็ตอนที่ได้ลองมาทําตอนเช้ารู้สึกว่าดีขึ้นค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนสติจะดีขึ้นค่ะอืก็จะลองทําต่อไปค่ ะ, อ, ะอย่าประมาทนะเรื่องสมาธินี่สําคัญจําเป็นต่อการภาวนาเพื่อสนับสนุนปัญญาถ้าไม่มีสมาธิแล้วปัญญาก็ไม่มี ไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะไปต่อสู้กิเลสได้ค่ะพระอาจารย์ยังไม่ค่อยมีไม่มีเวลาไปปีกวิเวกแต่ก็จะพยายามในชีวิตประจำวันจะพยายามทุ่มเวลาทั้งหมดไปไปฝึกค่ะพระอาจารย์ไปเจเริญสตินั่งสมาธิค่ะออทำให้มากเท่าที่จะทาได้แต่เรื่องรูปเสียงกลิ่นลดไปอไห น, น, นไม่จาเป็นอย่าไปเสพมันค่ะพระอาจารย์เ อ, เอาเวลามาภาวนาดีกว่า เมื่อสองวันก่อนก็แอปหลุดแอบหลุดไปดูซีรีส์สั้นนิดนึงอาจารย์ดูแล้วมันเต่งแล้วมันยาวไ ม, ไม่สั้นนะมันไม่สั้นนะซีรีส์สั้นแต่ซีรสั้นแต่ว่า ด, ดูไปประมาณสามชั่วโมงได้ค่ะสั้นแต่ว่าสามชั่วโมงอ่ก็เลยแต่ว่าแล้วดูเสร็จแล้วได้อะไรเปล่าไม่ได้ค่ะทําให้เหมือนใจเราแย่ลงด้วยค่ะออการปฏิบัติที่เราสาธธรรมมาก็แบบลดรู้สึกได้ว่าแบบ ใจสติน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนลบกวนสมาธิเราที่ผลจากที่เราได้ทํามาค่ะอันนันก็อดไม่ได้นะ<笑><笑>ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าจะพยายาม <S <S ต่ อ, อไปค่ะมันยั่วยวนใจแนะกัน <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะที่อาจารบอกกิเลสไม่เคยชวนไปนั่งไปเจริญสตินั่งสมาธิคือจริงมากเลยค่ะอาจารย์กิเลสไม่ชอบมันไม่ชอบภาวนาไม่ชอบสติมันชอบอิสระ คิดอะไรก็คิดได้ดูอะไรก็ดูได้ฟังอะไรก็ฟังได้กินอะไรก็กินได้โลกแห่งการนิสระทั้งโลเป็นอย่างนี้ใช่ค่ ะ, ะคุณแม่ก็ด้ยินด้วยคุณแม่แม่แม่มาคุยไหม <c oughs> แอนเ ม, มก็มาแม่บอก <c oughs> ว่าแม่ยังอยู่ในวงวนของการเล่น ยังเถิดทองยังออกไม่ได้เลยค่ะฝากบอกว่าอาจารย์เลยไม่กล้ามาหาพระอาจารย์เลยกลัวพระอาจารย์ดุวันนี้น่ากลัวนะขึ้นใหญ่เลยนะใช่ค่ะ อ, นนอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอีกหกรอยมากเใช่ท่านก็แกก็เสียใจยอยู่เพราะว่าแกขึ้นรถไฟไม่ทันค่ะพระอาจารย์ใช้ไปใช่แล้วขึ้นไปแล้วอืขึ้นไปนู่นแล้วคะ่ะตอนนีม้มันลงนะตอนนี้มันลงพวดผ่านนี้่ย ลงลดไม่ทันมันจะโตกเขวรี่ก็โดดลงไม่ทันแลระว่ามัอ่าผู้จ้าหรอมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดอเนยราบเจริล่ามก็มีเสริมล่ามอย่าไปคิดว่ามันจะไม่ลงถึงเวลามันจะลงก็ลงได้อไปอยา่าประมาณอย่าโลกมีไว้เพื่อม่ไว้เพื่อเล่งดู สังขารก็พอแล้วถ้านพอเลี้ยงดูน่างกายเราได้ก็พอแล้วมันจะมากจะน้อยไม่สำคัญพอแล้วไม่อดตายก็แล้วกันแหมอาจมีมากตายไปก็ไปไม่ได้อยู่ดีใช่ใช่แอบฟังอยู่ค่ะไม่มเก็บกลักับพ่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ซื้อแล้วขาย ซื้อตกรถไะตกรถไม่ซื้อแล้วก็ข า, ะะขายเท่าทุนพอขายเท่าทุนขึ้นไปสองมื่นสองเลยมานั่งเสียใจออกออกออกแกงบางวนนี้ไม่ได้ใจไม่ใจก็ไม่อยากจะออกแกบงบังุนนี้แต่ใจก็ยังติดสงสัยมันเล่นมันหลายปีเกินแล้วครับอาจารย์ไม่กล้ไม่กล้าถือว่านานนะ กลไมกล้าถือกลัวว่าจะติดดอยกลัวดอยแล้วใจมันไม่เป็นสุขซื้อไม่ได้ก็ทุกข์พอติดดอยก็ทุกข์ได้กําไรน้อยก็ไม่ทุกข์มากแต่ก็ทุกข์ไม่มีดีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรดีสักอย่างไม่ดีแล้วไปเล่นทำไมรู้ไม่ดีก็พยายามอยู่พยายามมากยังไม่มีพลังไปหยุดค่ะไม่มีสติเพราะที่จะยับยั้งมันเนี่ยยังไปยังไม่มีสติโอเค ก, ก, ก, กาขอบคุณกาตาทุกกากาไปด้คุณสาธกาคุณสาธกาซื้อคือเขามัางหรือเปล่ากาไม่ครับาวอาจารย์เนาะาทำพนาดีกว่านะก็ก็ส่วนมากก็ทำที่พระอาจารย์บอกก็คือทางศีลแล้วก็เทวดาอืมก็ส่วนมากก็อยู่ในนี้แล้วก็ท่า ทานนี้ก็ใส่บัตรหน้าบ้านแล้วก็อวนเงินไม่ต้องไปไหนค่ะแล้วพอนาได้ทุกวันด้วปะทุกวันค่ะสงบง่ายเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องประจารย์ดีแล้วอยู่คนเดียวสองคนตายายไม่ยุ่งกันอยู่แล้วไม่ยุ่งกันเขาก็ขายอยู่ข้างหน้าลูกก็อยู่ในห้องค่ะอประมาณเนี้ยค่ะดีเันเรามีบุญมาก ไม่ต้องมีภาระกับไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนเลยก็เกี่ยวข้องก็ตอนดูแลแม่แล้วก็ตอนนี้พ่อแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะอ่าดี่พยายามาเวลามาพอนาะให้มากนะเพราะเวลามันน้อยลงไปทุกวันนะค่ะโอเคไปที่คนปลางอะไรต่อมาไปอยู่ที่ไหนแบกกลาวนี้มันใหม่ อยู่ที่เกาะสีชังเจ้าขาพระจานทร์เป็นห้องสวีเลยเป็นห้องสวีทเลยอ่าเป็นดีลักซ์ธรรมดาค่ะอ่คะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะก็ที่เคยหนูปกผ้าแล้วก็แล้วก็นอนพื้นแล้วก็นั่งสมาธิค่ะอ่าไม่นอนบนเตียงไม่นอนบนโซฟาไม่นอนไม่นอนละตอนที่ไปบาหลีก็อาจารย์เคยถามอะแล้วหนูเขาไม่นอนแล้หนูก็รู้ึกว่าไม่ได้ละถ้าไปต่างถิ่นหนูก็ต้องหนูก็ต้องนอนพื้นให้มันไม่สบายอค่ะ ไม่เสียได้ไ ม, ไม่ไม่เสียได้เงินที่ก็เข า, เาจ่ายไปใช่ไม่เสียได้แหละค่ะ <S <S คืออันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่หนูตั้งใจว่าจะมาจะมากลับพาลากรับเรียนพลาจานก็คือหนูมาทํางานที่เนี่ยหนูได้รับความไว้วางใจจากโอนเนอร์มากจากผู้บริหารทุกคนและค่ะเขาให้ความเกรงใจหนูมากแล้วงานมันก็เยอะซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตมันอาจจะต้องทําอะไรเพิ่มเลยงไงแต่หนูก็คิดแล้วว่าหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูไม่ไม่เอาแล้วอะ่ะคือทํางานส่งลูกเรียนแล้ว มันจแล้วก็คือจกก็ต้องมาทางมาทางที่เรียนกับพระจาาเจ<อ>้านะคะเพราะว่ารู้ว่ารเรียนเดียวห้องเดียนเดียวอย่างเมัไม่ จ, จบละงานทั้งโกเดี๋ยวมันก็มีมาต่อให้เ้วยค่ะนี่เพิ่งเพิ่งพูดกับ g ีเอมไปก่อนที่จะเ อ, อเพิ่งจะผัาจะเข้ามาว่าหนูหนูตั้งใจว่าหนูจะมาช่วยอยู่สักพักนึงถ้าหนูทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ ไอ้ที่หนูคิดไว้อ่ะหนูหนูก็จะทําเหมือนเดิมซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เสียดายแต่หนูก็บอกว่าแต่ว่าหนูก็เสียดายของหนูเหมือนกันถ้าหนูทําอะไรเรียบร้อยแล้วก็ก็คงจะต้องจัด ก, กันอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะไม่ไม่เสียดายลาบยศสรงเสริญค่ะเพราะมันไม่แน่นอนอกันไม่มาเกิดเป็นลาบมันงเสริฐค่ะได้เอาไปไม่ได้อยู่นี่มาคุไม่พพานดีกว่าเอาติดตัวไปได้เจ้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวได้เวลาไปกลับพระอาจารย์วันเสาร์นี้ค่ะก็จะไปใช้ เวลาที่วัดให้มากที่สุดเจ้าค่ะโอเคเอล้วก็กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะอคุณท้าบกราบนมันสการ์พระอาจารย์ครับอา่าเป็นยังไงอยังไม่มีคําถามครับโอเคอย่างนฟังไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคคุณเทรนด์ทอนอยู่ที่แมรีแลนด์ไม่ใช่อยู่ที่ไทยแลนด์ อยู่ที่แมรี่แลนด์ค่ะพาาระอาจารย์กับพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านมากเลยอะค่ะที่เป็นกำลังใจแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเรามันหลุดออกไปเราก็จะดึงกลับมาได้หลายปีที่ผ่านมาก็เป็นเพราะพระอาจารย์กับ Zoom meeting นี่แหละค่ะก็หนูก็ยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมอะค่ะก็เริ่ม เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เราก็แอบเหลียวไหลไปดูหนังดูละครฟังเพลงเหมือนกันแต่พอเราหยุดแต่ก็ในขณะที่ดูก็ไม่หยุดปฏิบัตินะคะก็ปฏิบัติไปด้วยแต่พอเราเลิกดูปุ๊บมันมันก็เข้าที่ได้เร็วเร็วกว่าที่เราคิดอนะคะ ใ, ใจเราไม่ฟู้ง้างกับเรื่องราวที่เราไปดูมาเหมือนกับว่าพอเราพอเราหยุดดูปุ๊บพอดูไปสักพักมันก็จะรู้สึกว่ามันไร้สาระคะ่ะมันที่มีแก่นสารคือมันก็สนุกตอนดูแต่พอดูเสร็จแล้วเรารู้สึกว่า มันก็มีแค่นี้แหละมันจะดูไปทไําไมดูพอหยุดดูเสร็จแล้วเราก็มานั่งปฏิบัติต่อแล้วมันก็จิตมันก็อยู่ติดอยู่กับลมอะคะ่ะจะตื่นจะหลับมันก็อยู่กับลมแล้วก็รู้สึกว่าเออผลของการปฏิบัติต่อเนื่องแม้ว่าแม้ว่าเราจะอาจจะเหลวไหลไปบ้างกลับมามันก็ยังไม่ไปไหนอย่างเงี้ยค่ะอืวันเสาร์ทุกวันเสาร์หนูก็ยังไปปฏิบัติที่วัดแถวบ้านอยู่อะคะ่ะตอนนี้เขาก็เหมือนกับเขาจะจัดเป็นโปรแกรมให้คน ให้คนทั้งคนต่างชาติทั้งคนไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขก็เหมือนกับควรจะวางแผนอะไรยังไงดีเขาก็เรียกหนูไปประชุมจริงหนูก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราไปเพราะเราต้องการไปปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งแรกไม่บอกหนูไปหนูไปมาหลายมาเป็นหลายหลายปีแล้วค่ะพรอาจารย์เขาเขาจัดให้ครั้งแรกไม่บอกหราอว่าไม่ชอบยิงกันเขาจัดประมาณจริงจริงๆเขาจัดสองชั่วโมงอะค่ะก็จะมี พ่อหลวงพี่จากที่วัดนี่แหละค่ะมาสอนการปฏิบัติแล้วก็จะมีพระที่มาจากสมัชชาสงฆ์ท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่สามารถอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ดีอะค่ะก็จะมีที่เป็นคนต่างชาติที่เขามาประจําแต่มันก็มีปัญหาที่ว่าบางทีคนต่างชาติเขามาเราเขาฟังพระบางองค์อาจจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรอ่อะค่ะเขาฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็ ก็หยุดไปมามาไปไปเขาก็พยายามที่จะให้ทํำยังไงให้สอนภาษาอังกฤษกับพระอาจารย์ทางนี้เพื่อให้ใหใหท่านอธิบายให้ได้รู้เรื่องมากขึ้นหรือว่าให้โอกาสพระสลับกันมาอธิบายหรือว่าให้มาเทศเป็นภาษาอังกฤษเป็นคอร์สสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะให้เหมือนกับว่าเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนเข้ามามากขึ้นแล้วก็ให้อยู่กันต่อเนื่อง แต่ของหนูนี่เหมือนกับว่าหนูกอธิบายไปว่าหนูฟังทำมาพอสมควรอย่างเงี้ยหนูหนูฟังทำแล้วก็ปฏิบัติมาบ้างอย่างเงี้ยบางทีบางทีหนูอยากให้การปฏิบัติเป็นการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เพราะว่าคนที่มาเนี่ยเขาจะมาจากแบ็คกราวด์หลายๆแบบเขาอาจจะไม่ได้มาจากการปฏิบัติแบบที่เราปฏิบัติมาก่อนก็คือแนะนํากันไปอะคะ่ะแต่ก็เหมือนเขาก็พยายามจะดึงเราเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นแผนกต้อนรับให้กับ ผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ๋าไม่ช่วยให้เราเป็นน้ามเลยก็จริงจริจริงจทุกคนก็ทุกคนที่เป็นปฏิพูปฏิบัติก็ผูดภาษาอังกฤษได้หมดน่ะนะคะเอ่อผู้ปฏิบัติใหม่ที่เขามาเป็นคนต่างชาติก็อาจจะอยากถามคําถามจากพระอาจารย์ที่สอนโดยตรงมากกว่าแต่ก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาเป็นคนช่วยแปลอยู่แล้วค่ะอมีเขาก็อาจจะอยากให้มีคนช่วยมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็ก็คือช่วยได้ก็ช่วยอย่างเงี้ยค่ะอ mm hmm. มันก็เลยทําให้ระหว่างระหว่างอาทิตย์เนี่ยถึงแม้เราจะหลุดออกไปบางทีไม่ได้ปฏิบัติหรือหลุดหลงลืมไปก็ยังมีพระจารย์กับกัลยาณมิตรในสูงที่ช่วยดึงสติเรากลับมาแล้วก็ยังมีวันเสาร์ที่เราไปปฏิบททัติธรรมมันก็จะช่วยเราดึงเรากลับมาในระหว่างวันมากขึ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็เดือนหน้าหนูก็ไปปฏิบัติธรรมที่สามวันนะคะ ที่จองไว้ได้เรียบร้อยแล้วดีค่ะพระอาจารย์ก็จะปฏิบัติต่อไปนะคะจะมีสาธุค่ะพระคุณพระอาจารย์มากๆนะคะขอพระอาจารย์ทัะะาทันแข็งแรงค่ะสาธุคุณปุ้ยตาคุณปุ้ยการนมัสการค่ะพระอาจารย์ยังไงในประเทศเราเป็นกนษัตริย์เลย อ่าใช่ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์โยมก็ไปดูสักนิดหนึ่งไปแสดงความดีใจกับกษัตริยดแล้วยมโชคดีมากเลยพระอาจารย์โยมได้จับมือกับพระราชินีกับพระราชาองค์ใหม่เนี่ยมันเป็นคเป็นลูกชายของเป็นลูกชายขององค์เก่าหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นลูกชายคนโตค่ะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็รู้สึกจะเป็นคนเบลเยียมค่ะแต่ก็ไม่ค่อยถือเตือนวกนี้ก็ไม่ก้อยถือเตือนะ ใช่ค่ะครานี้สสยดีมากๆเลยมยมยมไม่เคยคิดนะว่าก็ขนาดวันชาติเราก็ดูเขามาตั้งนานแล้วนะดูก็ตั้งแต่ตอ น, นเล็กๆเห็นเขามาตั้งตั้งแต่นานแล้วเราก็ไม่นิดว่าเอ้ยเขาจะเอ้โเฟลลี่ขนาดนี้แบบเป็นกันเองขนาดนี้แบบยมยืนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับทุกคนเนีเขาก็หันมาเขาก็จับมือเขาอยู่สบายดีหรอเขาก็ทักทายดี <S <S เราอย่างอุย ดีใจมากเลยเราชโชคดีมากเลยเพราะหลายคนนะ่ะเขาก็อยากจะจับมือแต่เขาก็ไม่ได้ให้ทุกคนนะออืดีมากถือว่าเป็นบุญของเรานะอันนี้สองจากการทําบุญทาทานของของเราใช่แล้วนโะยมก่อนก่อนที่วันที่จะไปเป็นวันเปลี่ยนกษัตริย์โยมโยมสวดด้วยโวมสวดบนให้กับกษัตริย์ที่นี่โยมก็ <c oughs> สวดแบบสวดใหญ่อะ่ะอืเโยมก็เลยพ่อโยมถือว่า เรามาอยู่บ้านเขาเราก็ต้องรู้จักกตัญญูกตวเวทียมก็ต้องบทมน์เราไปอยู่ใบใา้านใครเราก็ต้องเคารพเขาจริงค่ะจริงค่ะเราเราไม่ได้ไปเปลี่ยนเป็นศาสนาเขาเหมือนแบบบางคนบอกเฮ้ยเธอเดินเข้าโบสถเออเธอจะเปลี่ยนศาสนาเหรอโยมบอกไม่ เ, เปล่ า, า, า, าฉันเดินเข้าบสถเพราะฉันไปเคารพเทพที่นี่แต่ใจฉันอะมีแต่พระพุทธเจ้าเราไม่ได้หมายถึงว่าคือคือเราเคารพเจ้าที่เจ้าทางอย่างเงี้ยพระอาจารย์เอเป็นคนอย่างเงี้ย มีคนอ่อนน้อมคลรวะทํามาคลรวะอ่อนน้อมถ่อมตนอตันยูกตเวทีไปอยที่ไหนก็ไม่ต้องตกน้าไม่ไหลายตกไฟไม่ไหม้จริงค่ะอย่างเรื่องจริงเลยพระอาจารย์เพราะว่าโยมถือสัจจะว่าถ้าเรามีสัจจะเราซื่อสัตย์ซื่อตรงเราไม่โกหกเราไปที่ไหนเราอยู่ได้เดี๋ยวจะมีคนมาช่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คำจุนเราโยมถือเรื่องนี้มากค่ะ เอทนตัวให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีของชาวพุทธของชาวไทยจริงค่ะแล้วโยมเพราะว่าโยมมีผู้ช่วยขึ้นเป็นจิตอที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าเออโยมนี่เธอนี่เป็นคนดีนะเธอเป็นเธอรู้จักคําว่ากระตันยูด้วยเพราะว่าน้อยคนแล้วที่มาอยู่ที่นี่เขาจะเป็นอย่างเธออะไรอย่างนี้แล้มวมันอาจจะมีแต่เขาก็ไม่ได้มาคุยกับเธอเรอาเราก็บอกว่า คนส่วนมากถ้าเกิดคนเดินมาทา ง, ทางธรรมกล้าทีบายให้เขาเป็นภาษาอังกฤษอะว่าถ้าคนเดินมาทางธรรมเขาจะรู้จักข้อจงจุดนี้เสมออืาาราะเิดว่าถ้าเราไม่โกหกเราซื่อสัตว์ชื่อตรงเราพูดครั้งเดียวและสมองเราไม่ต้องเปลืองเนื้อทีอ<ะ>โอเโ ย, มโยมก็ดีใจแบบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์บอกสามเดือนเนี้โยมเป็นคนดีมากเลยดีกว่าปีที่แล้วโยมปฏิบัติ ถือศนลถือศีแปดสวดมนต์เจริญจิตภาวนากินทานเจและยมทานเจมาชวนเจยี่สิบปีแล้วนะพระอาจารย์แค่เหมือนวัวควายอะวัวควาวมากกินเจตลอดจริงอ่ะมันคือคือถามว่ามันเป็นการฝึกความอดทนไหมใช่ค่ะมันอดตรงไหนมันมันอดตรงไหนคือคือตอนที่โยมอ่ะโยมเริ่มมาใหม่ๆอ่ะเมื่อเมื่อ สิกว่าปีที่แล้วยมต้องทํางานในตลองเหมือนกับน้องน้องยมหญิงอะ่ะที่เขาพูดกัน mm hmm. เขาบอกว่าวเขาต้องเขาต้องอคืนน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยบอคือยมก็เป็นตรงจุดนั้นเป็นเหมือนกับน้องเขาเราเราไปเสิร์ฟเงี้ยเสิร์ฟคงเสิร์ฟไก่อะไรอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนกินอย่างเงี้ยเราก็ต้องอดทนในทีนี้แบบตอนนั้นยมไปนับถือทางเจ้าแม่ทางจีนทีนี้ยมยมก็เลยแบบนะเฮ้ย hey, ไม่ได้สิต้องอดทนแล้วเราก็ผ่านไปได้แล้วโอถึงเทศกาลเจเราก็ทานเราก็ผ่านไปได้แล้ว มันคือพอมาถึงการการถือสินแปดยมก็บอกว่าเราก็เอาอย่างเจต่อแรกๆที่ยมยมเข้ามาหาพระอาจารย์สองปีแรกยมถือสินห้าทีนี้ไม่รู้เป็นไงยมก็ตัดสินใจออกจากงานเลยมาถือสินแปดกับพระอาจารย์แล้วยมก็ทำได้ถึงสามปีกว่าแล้วพระอาจารย์แล้วและยมก็คิดว่ามันเป็นทางที่ดีนะมันเราไม่ได้รวยปุด๊ดแต่ว่า มันมันบอกไม่ถูกท่านอาจารย์แบบมันเป็นความสงบสุขในใจอะ่ะซึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่เดือดร้อนแต่แต่คนที่ทําเดือดร้อนนี่ลูกตลอดเลยพระอาจารย์ลูกโยมหาเรื่องมาใส่หัวลูกหัวโยมตลอดเลยแต่โยมก็ไม่บ่นหรอกนะแบบเพราะว่าการที่โยมมาเข้ามาอยู่ถือศีลกับพระอาจารย์ทําให้โยมสงบขึ้นเยอะใจเย็ยนลงเยอะและทําให้โยมปล่อยวางได้คือเสียเงินเท่านี้ ไม่เป็นไรโยมก็พูดกับช่างมันไม่เป็นไรโอเค ม, okay. มันลองยังไม่ตายเดี๋ยวเงินมันมาเองนะฮะเพราะว่ายกชาโ ย, ยมก็ไปโดนไอเอารถไปจอดที่เจอรมันก็ไปโดนยกรถต้องเสียไปอีกหกร้อยแล้วเขาเป็นคนที่หัวร้อนนะ่ะพระท่านอาจารย์โยมก็ไม่รู้จะทำไงโยมก็เขียนบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนเจอรมันเขาไม่ชอบ เวลาที่มันมีพาร์คอ่ะมันมีเบอร์เบอร์เป็นของลักเซมเบิร์กเป็นอินเทอร์เนชันแนลเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อยู่อ่ะความสะเพามันก็อยู่ด้วยอยู่ก็ต้องคอยตรวจเช็คเมื่เราไปจอดรถไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งวางไว้อะไรอย่างงี้เขาก็ฟังฟังบ้างนะคนเด็กมันวัยรุ่นอ่ะโยมก็ไม่รู้จะทํำยังไงโยมก็เอาบุญเอากุศลเนี้ยแหละช่วยเหลือค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะจังหวะ ความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็คิดเอาเองนะฮะพระอาจารย์โ <Okay. S 2> ยมก็จะช่วยเขาได้ะะตัวใครตัวมันนะกรรมใครกรรมมันใช่โยมก็โยมก็บอกว่าให้เขาว่าคิดบวกเพราะว่าคือคือเขาไปเด็กทางเจอมันเนี่ยที่เด็กที่เขาอยู่อะ่ะคือเขาจะคิดแต่ว่าโอ้ยฉันไม่ใช่โชคดีฉันคือคิดลบอะ่ะจะพูดแต่เรื่องลบๆแล้วโยมก็บอกว่า ไม่ได้โยมจะต้องคิดเธอจะต้องคิดบวกเวลาเธอเธอมีความทุกข์ก็จต้องมองคนท okay. ี ir, er et, Mother, horizon, water, okay. really okay. ่เขาทุกข์กับเธอมาอยู่เยอะแยะคนในเอเชียเขาไม่มีจะกินเขาไม่มีรองเท้าใส่เขาก็มีเยอะแยะเราก็พยายามอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้แล้วเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกและมาหวงเวียอีกแล้วพระเถรอาจารย์โอเคเอาละเรื่องของเขาเรื่องของเราคือปฏิบัติของเราดีกาณ์นะ โยมโปฏิบัติค่ะพระท่านอาจารย์โยมบอกกับท่านอาจารย์ว่าโยมไม่วางนะคะยมเดินตลอดเดินหน้าตลอดถึงถึงถึงจะหย่อนไปหน่อยนึงแต่โยมบางวันอย่างเนี้ยโยมออกไปธุระโยมก็โอ๊ยหย่อนไปหน่อยไม่เป็นไรเออเก็บเก็บทบทบและโยมมีมีโยมเอารูปอ่ะโยมเอารูปหลวงปู่มั่นอ่ะมาใส่โทรศัพท์เอาไว้คือคือโยมจะต้องเตือนสติโยมทีนี้โยมหารูปพระจานทร์ไม่ได้โยมก็เลยเอารูปหลวงปู่มาใส่ โก็อุยมกะว่าจะให้หลวงปู่ช่วยเคาะประสาทโยมว่าไม่ให้เพ้อเจอเวลาออกไปนอกบ้านอถ้าเรา <Okay. S 2> รดีมากาท่านนี้ก่อนนะค่ะพระ อ, อาจารย์สาธุทุกบุญกระถินกับพรออะอาจารย์อขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุคุณนาเ<ล>รนหน่อยพระอาจารย์ขอให้สุขเจริญอายุวโนสุขขังพลังสาธุสาธุสาธุ อา่าคุณมารต่อาการหลวงพ่อค่ะ อ, าอ่าเป็นยังไงภาวนาหรือเปล่าครับครอืมภาวนาทุกวันนะทุกวันค่ะหลวงพ่อเออว่าว่าสักครู่ที่หลวงพ่อคุยกับการายาในมิตี่พูดถึงเรื่องอะไรนะทินอาหารนึงคือไม่กินตอนเย็นกินเมื่อเดียวนะอันนี้ก็ผ่าน ่านมาจนออกภาษาตั้งแต่วันที่หลวงพ่อบอกให้ให้ให้กินืน้อเดียวหนูก็กินมาจนถึงวันเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็กินต่อไปดิไม่หรือจะเลิกนะไม่ค่ะอไม่ไม่เลิกค่ะหลว่อกอ็ถ้าหมอสั่งว่าถ้าหมอสั่งว่าต้องกินก็มีเหตุนหน่อยอยูนีบอกออกภาษาแล้วเลิกิแกกั้งฉด้าทุกิเลศมันสั่งแล้วไม่ใช่ใครสั่ง ไม่ค่ะเวหนูหนูก็จะปฏะิบัติไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่กินค่ะหลวงพ่อแต่ว่าตอนตอนที่ทําอะค่ะหลวงพ่อหมายถึงตอนกินเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่ามันมันทํามันปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนอะด้วยความเ้าเรียกว่าอะไรคะความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาทําด้วยความตั้งใจเนี้ยหลวง่อมันมันก็ไม่ได้มีอะไรลําบากอย่เงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็เป็น เป็นผลดีกว่าที่เราปฏิบัติด้วยค่ะหลวงพ่ออือแล้วมันก็ไม่ไม่เป็นภาระมันก็เพิ่มเวลาที่เราจะไปปฏิบัติได้มากขึ้นนะคะหลวงพอ่อแล้วมันก็ดีขึ้นด้วยค่ะหลวงพอ่อ <Hey. S 2> ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูดิดีใจที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อะค่ะแล้วมันก็เห็นเห็นถึงผลดีที่ที่เราปฏิบัติได้คะหลวงพอ่อ ใด้ผล ม, มันเกิดจากการปฏิบัตินะถ้าไม่ปฏิบัติผลมันก็ไม่เกิดค่ะและ้ววันเสาร์ที่ที่หนูฟองหลวงพ่อเทศน์นะคะเนี่ยขึ้ น, น, น, นได้คำสอบว่ามีเหมือนมีคนถามนะคะว่าการนั่งปฏิบัติแบบนานๆอะไรเนี้ยแล้วหลวงพ่อตอบว่าคนที่จะปฏิบัติได้เ้าเรียกอะไรสมาบัติหรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อการนั่นนง ค่ะที่ต้องได้ที่ที่คนถามว่านั่งหลายหลายวันอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ uh huh. แล้วหลวงพ่อตอบว่าคนต้องต้องได้ถึงอนาคตถึงจะปฏิบัติที่นั่งสมาธิได้ น, นานๆไปเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยเพิ่งจะได้คําตอบว่าหนูพยายามแล้วมันมันไปไม่ถึงแล้วค่ะหลวงพ่อที่ว่านั่งหลายหลาวันนะมันเต็มที่มันก็แปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงมันก็ไม่ได้แล้วค่ะหลวงพ่อ uh huh. ก็ไม่ต้องกังวลหรอกไม่ต้องต้องันต้องนั่งถึงขนาดนั้นปอให้มันสงบอย่างน้อยชั่วโมงขึ้นไปก็โอเคแล้วค่ะแล้วก็<ม>ที่หลวงพ่อบอกว่าเราสามารถนั่งสมาธินั่งตอนไหนก็ได้เข้าตอนไหนก็ได้อะไรอย่างนี้นนะคะ่ะหนูก็เลยยึดตรงนี้ไปแทน น, <ม>นนน<ม>คะคะหงออมีอะไรไหัหยไม่ไม่มีแล้วเออหลวงพ่ขอขออีกนิดนะะึงค่ะแล้ว แล้วถ้าเราถึงสมมติว่าเราปฏิบัติแค่ให้ถึงแค่อัปปนาอย่างนี้ยก็สามารถเดินจบจบงานได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อต้องออกจากต้องต้องออกจากสมาธิก่อนเราค่อยมาพิจารณาค่ะแล้วพอพิจารณาแล้วอะค่ะหมายถึงว่าเราเราก็มาดูในใจเราว่ากิเลสมันออกไปไหมมันลดละไปไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ อ่าก็พิจารณาเพื่อล่ากิเลสอย่างนี้อย่างอยังติดอะไรอยู่ก็ต้องตัดมันให้หมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นลูกเป็นสามีเป็นแม่เป็นพ่ออะไรยังติดเขายังห่วงเขานี่ต้องตัดไม่ไม่ไม่ไม่ห่วงปล่อยเขาเค่อยเขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาไปาแต่ไม่ได้หมายเขาวทอดทิ้งเขานะใจเราไม่กังวลเขา พอรู้ว่าในนิสสุก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนมีอะไรต้องทําก็ทํากับเขาได้เวลาเขได้เลี้ยงดูเขาได้แต่ไม่ห่วงไม่ไม่ห่วงก็คือทําตามหน้าที่ใช่ไหมคะทำตามหน้าที่ทําด้วยความเมตตาไม่ทําแบบหน้าที่แบบว่าจําเป็นต้องทําทําด้วยความเมตตาเป็นหน้าที่แต่ต้องทําด้วยความเมตตาทําด้วยความยินดี ทำด้วยความรักใค่ไหมคะค่ะหรือจะปฏิบัติต่อไปคะโอเคสาธุขอบคุณตาขอบคุณหมอตาหมอตากับคุณกลับนมัสการับนมัสการพะอาจารย์ค่ะหมอาัหมอน้หมอหน้าใช่ค่ะับงบ้านเลยยังไม่ถึงบ้านถึงบ้านแล้วครับวันนี้ ก็มาร่วมฟังทำครับช่วงนี้ผมก็พยายามกลับมาทําปฏิบัติให้มากขึ้นครับพยายามนั่งสมาธิก็ให้ต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็ทําทําได้ทําได้ดีขึ้นครับแต่ก็ต้องพันพฒนาต่ อ, อยังได้แค่สั้นๆครับทําไำเรื่อยๆมันก็จะยาวขึ้นนานขึ้นเองนะอยู่ที่สติถ้าสติดีมันก็จะนั่งได้นานสติไม่ดีมันนั่งเดี๋ยวเดียวมันก็อยากจะลุกแล้วอยากจะเลิกครับ มันก็จะใช้เป็นการจับเวลาค่ะพระอาจารย์อืมอันนั้นก็เป็นการบังคับค่ะแต่ถ้ามีสติมันไม่ต้องบังคับมันก็จะมันก็จะอยู่ของมันได้พยายามเน้นเน้นการฝึกสติให้มากด้วยก่อนที่จะมานั่งนะครับอืมคถ้ามีสติ ด, ดีมันก็จะนั่งได้นานอีกแล้วได้คุณภาพด้วยนั่งได้นานแล้วได้ความสงบด้วยแต่ถ้าใช้ขันติใช้ความอดทนเนี่ยมัน มันก็จะแบบสู้กันไปพัะกันไปพัดกันมาแต่ไม่ไม่สงบอ่ะอืมคือพอนั่งพอไม่ได้จับเวลาค่ะพระอาจารย์เคยเคยอย่ากไปที่วัดบางคือนึกว่านั่งนานแล้วแต่ปรากฏว่ามันมันไม่นานนะคะพระอาจารย์มันกลายเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะคือเลยแบบเหมือนอย่างน้อยอ่ะถ้าสมมติจะนั่งแบบทีเรียดสักสีิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็จะได้แบบอ่ายังไม่ถึงแล้วพอพอมันเริ่มสติหลุดล้วก็จะดึงกลับมา แต่เพราะเกิดแบบไม่ตั้งเลยใจใจจะเข้าใจไปว่าโอ้มันนานมากแล้วแล้วก็เลืมมามันลืมตามมามันไม่เท่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ไม่เหมือนกันดูหนังนะดูหนังแป๊บเดียวหมดไปชั่วมงอะมันแต่ที่วันอยู่ที่ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าถ้ามันมีความสุขควรจะรู้สึกว่าแป๊บเดียวแต่ถ้าไม่สุขเนี่ยว่ารู้สึกว่ามันนานแสนนานแต่ความจริงแป๊บเดียวนั่งไปแค่ได้แป๊บเดียว แต่พอช่วงหลังอะแต่ว่าช่วงหลังอย่างถ้าชีวิตในในวันทํางานเนี่ยค่ะตอนเช้าที่จะมานั่งบางวันก็คือเวลาน้อยก็จะตั้งไว้แบบอ่ะสั้นๆก็ยังดีสิบนาทีแต่วันนั้นก็คือลืมกดนาฬิกาค่ะคือตั้งไว้แล้วลืมกดคอนเฟิร์มแล้วครำเนี้ยมันเลยสิบนาทีแต่มันก็อยู่คือหนูนั่งเกินอย่างเงี้ยได้ก็รู้สึกมีความสุขดีแต่ก็เอ๊ะเริ่มแบบเริ่มเอ๊ะมันเริ่มนานมันเลยไปจริงๆด้วยค่ะ แต่ตอนเช้าคือคือถ้ามันเลยไปหนูหนูไปทํางานสายเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยตั้งตั้งไว้ใช่ค่ะก็สําคัญที่สติกันแล้วกันพยายามตั้งอะไรก็ตั้งได้แต่ยังตั้งสติด้วยใช่ครับเราแบบเรียนเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าอย่างอย่างถ้าช่วงแรกนี้ก็ต้องเป็นสติกับสมาธิไปก่อนใช่ไหมครับอาจารย์อย่างขั้นขั้นขั้นปัญญานี่ถึงจุดนึงมันจะรู้เองหรือว่าหรือว่าพอเราสมาธิเราก็รู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่เราทำทำใจไม่ได้ รเรารู้ว่าทําบาปไม่ได้บางทีเราก็ยังทําใจไม่ได้เรารู้ว่าเราเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้แต่เราก็ยังเสบอยู่เพราะเราไม่มีกําลังของสมาธิมาช่วยหยุดมันนะแต่อย่างนี้ก็หมายถึงว่าให้ฝึกสมาธิไปก่อนโดยที่ขั้นปัญญาก็เดี๋ยวมันจะรู้ของมันเองใช่ไหมครับคือปัญญาเราก็รู้แล้วเพียงเดี๋ยวทำไม่ได้นมหีหลายอย่างที่เราอยากจะทําแต่เราทําไม่ได้เพราะว่าเรา เช่อยจะไปอยู่วัดสักสาวันคนเดียวเนี่ยมันนี่ก็เป็นปัญญาแนละ้ว <Okay. S 1> แต่มันไปไม่ได้เพราะมันสู่กิเลสไม่ไหวถ้ามีสติมีสมาธิพอคิดจะไปเปลี่ยนทิศเว่อมันสบายเลยไปได้เลยครับครับผมครับแต่เดี๋ยวปฏิบัติสติสมาธิให้มากขึ้นครับอาจารย์ถ้าสติสมาธิมากขึ้นเ น, นี่ยมันอยากจะไปเองครับ ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้วันเวลาจะไปวัดอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็จะรู้สึกเหมือนเป็นหน้าที่ว่าเป็นของดีว่าต้องไปแต่พอตอนจะไปจริงๆมันจะเบือ่อเบือ่อแล้วก็แล้วก็ตอนไปก็ ก, ก็ก็เบือ่อเบือเบ่อนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอเดี๋ยวนี้ยก็คือรู้สึกว่าพอตอนจะไปเรารู้สึกว่าอยากไปอตอนไปก็มีความสุขดีค่ะอาจารย์เป็นแวอะไรมีสติมากขึ้นคครับ่คะครับ โอเคครับไม่ใ่คุณเสตย์นี่เป็นหัวหน้ากองทัพเลยกขาว่านะถ้ามีสติมีกำลังสติก็จะพาพวกที่พวกน้องๆติดตามไปสติไปปัญญาไปสมาธิไปศีลไปไปหมดเลยแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีใครนำไม่ไปเลยอ่าค่ะครับ ขอบคุณค่ะอาจารย์กรับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณจูบต่อโกเบตอนนี้เริ่มหนาวยังญี่ปุ่นงานราชการอาจารย์เจค่ะเริ่มหนาวแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ลมมาลมเย็นเย็นมาพัดมาตลอดยังไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องใส่เสื้อหนาวใช่ไหมยังไม่ใส่เสื้อหนาวเจ้าค่ะกำลังสบายเลยค่ะพระอาจารย์กำลังดีจ้าค่ะช่วงนี้คนมาเที่ยวเยอะนะญี่ปุ่นตอนนี้อ่า ค่างเงินเยนลงต่ําเตี้ยเรียนดินคนเขานิยมมาแล้วช่วงนี้เห็นเป็นช่วงหยุดเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ของคนจีนนะคะคนจีนมาเยอะค่ะพระอาจารย์อค่ะีหนูก็ยังปฏิบ<ม>ัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์อนั่งวันละกี่ครั้งนั่งนั่งวันละครั้งค่ะพระอาจารย์ครั้งเดียวเลยค่ะแต่ว่าตอนมันคือพระอาจารย์คะพอ ตลอดช่วงสมเดือนที่เราปฏิบัติมานะคะพระอาจารย์มันมันทําให้เราเหมือนนอนน้อยลงอะค่ะพระอาจารย์แล้วพอนอนน้อยลงเนี่ยมันก็เหมือนติดคือตอนนี้หนูไม่เข้าใจว่าหนูหนูเป็นเพราะว่าหนูเริ่มแก่แก่ขึ้นมันถึงนอนน้อยลงหรือว่าอย่าไปสนใจนอนน้อยลงไม่น้อยลงสนใจว่าผนกระทบกับร่างกายเรามีไหมถ้ามันน้อยลงแล้วมันไม่มีผลกระทบอะไรก็ก็แสดงว่าไม่เป็นไม่เป็นปัญหาตรงไหนค่ะอย่างอย่างเมื่อวานน่ะ คือวันวันพระใช่ไหมคะห น, หนูหนูแบบหลับหลับปล็อกไปเลยนิดคือตอนหน้าทุ่มแล้วมันสะดุ้งตื่นใหม่ทีก็คือตีสามตีสามสี่สิบกว่านาทีแล้วหนูก็คือนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์จนถึงเช้าเลยแต่ว่าแต่ว่าพอตอนเช้าหนูต้องดูแลคนไข้ดูแลดูแลลูกคะ่ะพอดูแลไปประมาณเก้าโมงเก้าโมงเนี่ยคือหนูแบบไม่ไหวแล้วจะคือตามันจะหลับแล้วอะค่ะพระอาจารย์ วันวันนี้ก็เลยได้นอนต่อถ้ามันถ้ามันถ้ามันหลับมันอยากจะหลับก็ต้องก็ต้องให้มันนอนค่ะก็เลยหนูหนูก็เลยจะบอกร่างกายมันจะบอกเราอย่างเงี้ยมันต้องการนอนเท่าไหร่อ๋เจ้าค่ะไม่ต้องไปดูว่าเอยนอนเท่าไหร่เลยอ่าเจ้าค่ะถ้ามันงัวงก็แสดงว่ามันต้องการจะนอนนะค่ะค่ะโอเคค่ะจนหนูก็ไม่ไม่ดีตรงที่ว่าหนูหนู กังวลกับร่างกายตัวเองจนตอนเนี้ยไปซื้อยานอนหลับมาค่ะพระอาจารย์ซื้อサรリเมนท์ที่สําหรับจะให้นอนให้นอนได้แบบยาวๆมาแต่ยังไม่ได้ลองเลยนะคะพระอาจารย์ขอให้มันไปตามธรรมชาติกว่าเชียวกินยาเดี๋ยวก็มีผลข้างเคียงตามเลยติดยาอพอว่าไหนไม่ได้กินยา ก, ก็ยังนอนไม่หลับเองใช่ไค่ ะ, คะให้มันไปตาธรรมชาติ วิทีจะทำให้มันนอนหลับง่ายก็ใช้สตินี่แหละเวลานอนก็ดูลงไปพุทโธไปเดี๋ยวก็หลับอย่ปล่อยให้มันคิดที่มันนอนไม่หลับเพราะมันคิดมากยาอนหลับบังทีก็อาจจะช่วยได้แต่มันก็มันก็จะติดยาพอไม่มียามันก็จะนอนไม่หลับใช่ไใช้สติดีกว่าใช้ธรรมโอสถดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของใจมันไม่ใช่เรื่องของร่างกาย พินอไม่หลับนี่ว่าใจคิดมากอืมเจ้าค่ะหยุดความคิดได้มันก็จะหลับอืมเจ้าค่ะโอเคอัติดตามพวกสังคมออนไลน์พวกปฏิบัติธรรมออนไลน์กันเยอะอ่ะเรื่อยๆปุ๊ก็ก็อย่างเมื่อวานที่เขาเขาจะมีเข้าเข้าเข้าแบบไปสวดมนต์หนูก็ไม่ได้เข้าค่ะพระอาจารย์อืมหนูก็ไม่ได้เข้าเพราะว่ามันมันเหนื่อยทํางานกลับมาก็คือหลับไปก่อน แต่บางทีก็แบบว่าเออเขาอุตส่าห์ทำมีพระมีพระอาจารย์มามานําสวดมนต์ก็บางทีหนูก็แบบคิดว่าเอะเราเข้าไปเอาเป็นกําลังใจให้เขาหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคิดบ้างค่ะว่า<ล>จะเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้กับเรามากกว่ามั้ง <c oughs> อย่าอย่ามีเพื่อนเนาะอย่าอย่ยเข้าไปเลยค่ะมันมันก็มีที่เลยมันชอบอ้างคนอื่นใช่ใช่กิเลยมันมันทําเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแหละที่เราทําเลยค่ะ กิเลสมันร้ายร้ายมากๆเลยเจ้าค่ะมันไม่เคยอ้างาว่าเราทําเพื่อตัวเราเอยทาเพื่อคนนู้นบ้างทำเพื่อคนนี้บ้างแล้วคนน่ะค่ะโอเคท <c oughs> างต่อไปนะไปค่ะกลขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อ่าคุณมณริการ์มาริการ์ก็ทําเพื่อคุณพ่อจากนิมิตอาจารยเจ้าค่ะพระอาจารย์บบรยรยอ่าคือคือค่ะ อ, อยู่กับคุณพ่อตอนนี้ปรับตัวกันเข้าเข้ากันได้ไหรือยังได้แล้วครับค่ะอาจารย์ก็ <c oughs> สามารถเอาช่วงจังหวะที่ว่าพ่อหลับก็าาาาหลับแล้วก็พอพ่อตื่นขึ้นมาพ่เข้าห้องน้ำไม่เข้าห้อนนงอ น, น้ำแล้วก็ฉีก็เอาช่วงนั้นนะคะอาจารย์ประมาณสองครึ่งอะไรประมาณนั้นประมาณยี่สองครึ่งแล้วก็เรก็นั่งสมาธิก่อนอะไรประมาณนั้นถ้าไม่ง่วงนอนมากเรื่อว่า หรือไม่นั่นก็ถ้าพ่อหลับยาวพ่อหลับยาวก็ฉี่ั้งเดียวสองครั้งก็ประมาณตีสิ่ากัแบบว่าจาะจะได้นั่งต่อว่าวันนี้ปากเต๋อกันได้ด้ีมากของอาจารย์แล้วก็พ่ก็ต้องเหมือนกับเรียกว่าก็คือพ่อก็ยังสวดมนต์ไหวพ้พระเสียงดังเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าอ่านนัง่งไม่ว่าอะไรที่คือพูดกับพระอาจารย์นั่นแหละก็เจ้าของอาจารย์ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของ ความเป็นอยู่ของคุณสูงอายุค่ะคนณชราว่าเราจะอยู่อย่างไรให้มันมีความสุ ข, ข mm hmm. กับเราคะแล้วก็บริบบะิฝ่าบริบัติก็ในเรื่องของการปฏิบัตินั้นส่วนห ญ, ญ่จะใช้ปัญญาสันมากกว่าเพราะว่าการนั่งสมาธินั้นบางทีนั่งไปก็มติดก้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มากมากที่สุดก็คือประมาณชั่วโมงกว่าประมาณนั้น่เหินพระอาจารย์ น่าจะใช่ยาวๆนั้นทำยังทำไม่ได้ค่าอาจารย์โอเคพยายามทำไปเรื่อยๆเดียก็ได้เองน ะ, ะเจ้าข้าจาอาจารย์สาธุเจ้าค่ะคุณอุษาเชิคุณอุษาวัตการมค่ะอาจารย์ชื่อยมจะพิมพ์แค่นราี่ว่าแต่เมันขึ้นนราี่ว่าราชนคชรินค่ะอาจารย์มันขึ้นมาเองค่ะอาจารย์ชื่อเต็มเต็มช่องยังหวันเลยไม่ใช่ค่ะมัน โยมแค่นั้นที่ว่าแต่ว่าโทรศัพท์มันเป็นไอซีรีอะค่ะซีรีของ uh, โทรศัพท์มันช่วยอะค่ะ uh, จริงก็คือนราชิว่าแค่นั้นเองโยมเพิ่งมาเห็นดเลิญโยมก็รบไม่เบียดก็เลยไม่ลบปล่อยเข้าไปออ uh, สําหรับโยมนะคะจาย์ออกพรรษามาแล้วนี้อ่าที่ปรนนธาไว้สองข้อคือกินอาหารที่จันบอกให้โยมทุกอย่างในที่เดียวกันใช่ไหมคะ uh, ที่แรกก็บอกว่าเดือนเดียวแต่โยมก็ต่อจนครบสามเดือนออกพรรษาค่ะแล้วก็ โยมจะใช้วิธีการกินคือตักใส่ปากแล้วก็หยุดแล้วก็เคี้ยวก็คือเคี้ยวเคี้ยก็คือจะไม่มือจะไม่ทําอะไรอยู่กับการเคี้ยวว่ะค่ะจางแล้วก็ตักใส่ปากใหม่เพราะจะปกติพอเรากินเนี่ยเราจะมือเราจะใช้ช้อนคนใช้ตักไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ เ, เคี้ยก็เคี้ยวมือก็ตักแต่โยมจะทําอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วก็พอมาหลังๆจริงๆแล้วอ่ะที่เรามองว่าอาหารในจานที่มันคลุกเคล้ากันอยู่มันดูไม่น่ากินด้วยตาเนื้อใช่ไหมคะแต่พอเราตักเข้าปากเนี่ย จริงๆแล้วรสทุกอย่างมันจะแยกออกหมดเองด้วยด้วยสัมผัสของลิ้นเนะ่ยค่ะจารย์มันจะแยกหวานเค็มเปรี้ยวออกแยกกันหมดเลยเราสามารถจําแนกได้แบบนั้นนะคะอมันก็ไม่ได้น่าเกลียดหมือนอาหารในจานนะคะจานมันก็อร่อยอยู่ค่ะจารย์มันก็ไม่ได้เสียรสนะคะจานชมเจอแบบนั้นค่ะแล้วมันไม่เปลี่ยนอะที่มันแปลีคือหน้าตามันใช่ค่ะรสชาติมันเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วพอกินเข้าไปปุ๊บ หวานก็คือหวานเปรี้ยวก็คือเปรียปร้ยวมันแยกออกจากกันชัดเจนค่ะจานมันไม่ทําให้เสียรสอะไรเลยเวลามันอยู่ในจานเราไม่รู้รสเหรอใช่ค่ะว่าลินน้นไม่ได้แตะกับลิ้นใช่ค่ะปุยบอกว่าอ๋อมันแค่ดูด้วยตาเนื้อมันก็เป็นแบบนั้นแต่พอเข้าปากคือพอเข้าปากเนี่ยยมก็จะวางทุกอย่างแล้วก็อยู่กับการเคี้ยวไงค่ะจารย์แล้วก็จะน้ำอดีอครับพอพอตักเข้าไปปุ๊บบางทียมเอาเอางุ่นนะคะใส่ไปนในจานแล้วก็ตักเข้ามาองุ่นก็คืองุ่น แกงก็คือแกงมันมันมันก็อร่อยอยู่นะคะจังไม่ได้น่าเกลียดค่ะจังส่วนก็ต้องคายออกมามันถึงจะหน้าเกลียดเนี่ยเนื้อย่าหรือหน้าตามันเน <laughs> ีคือคือคือกิเลสของโยมตรงที่โยมตรงนี้คือหมายความว่าเวลายมไปวัดโยมเจ้าอาหารไปเยอะๆใช่ไหมคะาจารย์แล้วพอพระเขาท่านสรวจไปถึงอิติปาลามิติงสารที่เขาเปิดผ่านเดี๋ยวโยมรู้ละใจโยมไปที่อาหารแล้วว่าเดี๋ยวโยมเจ้าอันนั้นอันนั้นมันมันเป็นกิเลสทีนี้ก็เลยตัดตรงนี้ออกไปถ้าอะไรคิดอะไรปุ๊บโยมจะไม่เอามากินอย่าไม่จะไม่ตักใส่จาน แล้วก็มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าความโลบตรงนั้นมันหายไปค่ะจย์ก็เฉยๆค่ะไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันทําให้เราเดือดร้อนโยมก็กินข้าวแบบนี้มาครบสามมือแล้วค่ะจะไอ้สามเดือนแล้วค่ะจันมันกไ็ไม่ทำไงต่อจะทําทกินต่อแล้วจะเลิกนะค่ะคือโยมก็จะนั่งกินคนเดียวนะคะจันโยมเพราะลูกบอกลูกจะมากินว่าอย่าเลยลูกบางทีแม่กินคนเดียวแม่จะใช้มืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราอยากจะรู้ว่า ถ้าเรากินกับเพื่อนหรือเพื่อนชวนคุยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าเรากินคนเดียวแล้วเราจะอยู่กับหนึ่งหนึ่งอะไรเรียกคะหนึ่งอารมณ์อารมณ์เดียวอาจารย์เรื่องเดียวเนี่ะเรื่องเดียวใช่ค่ะอยู่เรื่องเดียวส่วนเรื่องของการนั่งอยู่กับที่นิ่งๆแค่อาจารย์ให้โยมนั่งหนึ่งชั่วโมงทุกอย่างมันก็ดีหมดเลยค่ะอาจารย์แต่ว่ากลับมาเนี่ยสามสัปดาห์ให้หลังในสุขภาพโยมคือเป็นภูมิแพ้น้ำมูกมันจะเยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อคืนโยมตัดสินใจกินยาแล้วก็มันก็หยุด ก็เลยทำให้ไม่สามารถทำต่อได้แต่ยมก็พยายามที่จะใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์ที่สุดคาา่ะจันแล้วก็การนั่งภาวนาของยมยมรู้ด้วยด้วยตัวยมเองว่าการนั่งภาวนานั้นมันนั่งได้ดีขึ้นคาา่ะจย์ใช้เวลาแป๊บเดียวมันก็สามารถรวมได้ค่ะจสติมันจะรู้สึกว่ามันนิ่งมันไม่ถอนตกใจมันก็ไม่ถอนยมจะรอให้เขาถอนออกมาเองค่ะจ ดีอย่าไปถอยมันออกมาเวมันสงบไห้มันสงบเป็นนานๆใช่ค่ะคือแล้วก็มันก็มันก็สงบได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนที่นั่งมันฟุ้งก็ฟุ้งคราวนี้มันก็มีนะคะช่วงที่ฟุ้งยมก็ปล่อยเขาฟุ้งไปปล่อยฟุ้งไปเฉยๆก็ไม่ได้ตามคุยเลยเขาแบบนั้นนะคะอาจารย์แล้วก็เราทําให้เรารู้ว่าเราพอไปนั่งนิ่งๆมันก็สามารถสงบได้ในนิ่งๆใช้เวลามันกับเก็บเล็กเก็บน้อยผสมค่ะอาจารย์อืมันมันได้ดีแล้วก็ มีโยมโยมมีคําถามหนึ่งข้อค่ะอาจารย์มีคนถามโยมว่าทุกเวทนาในเวทนาคืออะไรจิตในจิตเคยโยมบอกโยมไม่รู้เรื่องโยมไม่รู้เรื่องแบบนี้แต่ไอคําว่าเวทนาในเวทนายมไปได้คําตอบที่น่ากุติไม่เดิสิงหาค่ะอาจารย์โยมนั่งภาวนาแล้วก็มันมันปวดใช่ไหมคะโยมก็นึกตอนนี้ในเวทนาแล้วเวทในเวทนาในเวทนาก็คือถ้าเราอยากให้มันหายปวดมันก็คือเวทนาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้ถูกไหมคะความอยากมันจะสร้างความทุกข์ความทุกข์นี่เราไม่เรียกว่าเวทนา็นความทุกข์ใจความเครียดความรู้เนี่ยถ้าไม่มีความอยากความทุกข์ใจก็ไม่มีจะมีแต่ความทุกข์กายมีแต่เวทนาเวทนานี่คือความเจ็บทางร่างกายยมก็บอกอ๋ออันนี้นี่เองที่ว่ามันมันมัน แล้วแล้วก็มันจะมาทุกข์เพราะความอยากให้มันหายใช่ที่เราปฏิบัตินในเพื่อดับไอ้ความอยากดับไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอันนี้ค่ะและอีกข้อหนึ่งคือจิตในจิตเนี่ยค่ะอาจารย์ยมไม่เข้าใจแต่ยมรู้สึกว่าคุค้นๆว่าจาราเป็นภาษาเป็นภาษาเขาพูดไงดูที่เตือนเนื้อหาสาระจิตในจิตก็คือเรื่องก็ดูจิตไงเวทนาในเวทนาก็เวทนาไงกายในกา ย, กายก็กายไง ทางนั้นแหละไม่มีอเลยมันเป็นภาษาโบฮานของของสมัยก่อนมันก็อาจจะพูดแบบนี้กันยับอกยัไม่รู้เรื่องแหละแต่ว่าพอพอพอปฏิบัติไปปฏิบัติอ๋อนี่ไงมันเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อย่างอาจจะอตอบย้ยํำว่าไม่ใช่กายอยู่ในหม้อนะไม่ใช่อยู่กายอยู่ในหม้อนะหรืออยู่ในหม้อข้าวไม่ใช่เอากายนั้นเอากายที่อยู่ในกายเนี่ยกายในกายก็คือกายนี่แหละแต่สมัยที่เราไม่นั่งพูดย้ําพราเรารู้ว่าพพูดถึงกายหมายถึงอะไร ทำไม่ก่อนข้าจะมีอารท่องว่ากายอยู่ในหม้อข้าวหรือกายอยู่ในบ้านหรือกายอยู่ที่ไหนมันมันเป็นเรื่องของโอหันต์ของภาษาได้แต่สาระความเป็นจริงก็คือให้ดูร่างกายนี่แหละให้ดูเวทนาให้ดูจิตนะแต่เดือนนี้โยมไม่ได้ไปนะครับอาจารย์เพราะว่าสามีต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะทก็ตา ม, มใจไม่นี่ไม่ไม่ได้บางครับกัน ไม่ใช่ค่ะคือโยมอยากไปนะคะโยมอยากไปอยากไปทุกเดือนแต่ว่ามันมีเหตุมีปัจจัยแต่ว่าก็คือรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรเรารู้ว่าเราเรามีภาระมีหน้าที่แต่ก็พยายามอยู่กับอยู่กับนานนะคะคแล้วโยมกไม่ funk, ต้อ ง, งไม่ต้องเกงใจเราไม่ต้องกังวลจะไปจะไม่ไปโยมไม่ได้เกงใจค่ะโยมอยากไปจริงโยมรู้สึกว่าเวลาไปแล้วมันมีความสุขนะคะจานโยมรู้พบว่าการอยู่คนเดียวมันมีความสุขนะคะรู้สึกแบบนับ้นถูกต้อง แ, แล้วก็ยุแต่ถูกไม่พอที่ที่จะไปใช่ไหะไม่โยมอยากไปค่ะแต่ว่าต้องพาลัต้องพาเข้าไปหาหมอค่ะจันต้องพาต้องพาเข้าไปหาหมอที่มออค่ะต้องมีคนต้องมีญาติไปเพราะเขาต้องไปเลเซอร์ในตาใช่คะได้ก็ทำหน้าที่ไปก็แล้วกันใช่ค่ะแต่โยมก็พยายามทุกวันโยมมีรู้สึกว่าอ๋อมันมันมั น, ม, นมันง่ายขึ้นเนะะี่ยค่ะจารย์แล้วก็มารู้สึกว่า เราเรามีความสุขกับมันบางทีก็ขับวอทไซค์ก็เออมันนี้มีความสุขมากเลยค่ะอาจารย์ยมข อ, อ, ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะอคขอบอาจารย์ทัดแข่งแข็งแรงนะคะแต่เดือนหน้าโยมจองแล้วค่ะเดือนหน้ายอมยมต้องขอบคุณตัวเองนะเพราะทุกอย่างนี้ยมต้องทําเองมไม่ได้ทำให้ยมเท่าไหรใช่ค่ะแต่อาจารย์คือแบบมันเป็นมันเป็ น, เ ป, นเป็นกําลังใจค่ะอาจารย์อเป็นกําลังใจมากเลยแต่ยมมีอยู่ข้อหนึ่งพอยมนั่งดูในซุปหอยมดํามากเลย ้วมันไม่ดำจริงไม่ใช่หรอมันอยู่ที่แสงนั่นเองแล้วแสงแล้วแลแสงสองหน้าใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์โยบก็แค่ดูว่าอ๋อดำจริงๆงด้วยดำก็กดำนะเกิดมามันดำก็ต้องทำมนะันเดี๋ยวโยบเดีวโยบไม่ได้ทุกข์กับมันนะคะอาจารย์โยบยมภูมิใจอยู่ค่ะอาจารย์สาธุค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับมันดูคนหน้าขาวดีกว่าน้อง เก่านำมรสการค่ะพระอาจารย์ทาแป้งแั้วแบคหน้าทาแป้งแล้วแบบหน้าหน้าขาวเออเพอาะแสงหน้าจอมากกว่าค่ะโอเคเอวันนี้เอองใส่หูฟังไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่าได้ชัดเจนเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคพอดีน้องเอิงอยู่ข้างนอกค่ะเออเรื่องแรกค่ะเอิงมาฟังในซูมแล้วเอิงอยากยืนยันอย่างเดึ่คือเรื่องภาวนาค่ะพระอาจารย์คือเอิงอ่ะเป็นคนที่เอ่อ ได้เจอครูบาอาจารย์เยอะมากเป็นสิบสิบรูปยี่สิบรูปได้ฟังทำเป็นหยร้อยครั้งแต่ว่าอยากมายืนยันกับพระอาจารย์ว่ามันไม่เท่ากันภาวานาะแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วเราเข้าใจอ่านั่นนะแต่การฟังทำก็จําจเป็นถ้ายังไม่รู้จักวิธีภาวานาะก็ต้องฟังเพื่อให้รู้วิธีได้แต่พอรู้แล้วไปฟังอกีกมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อรู้วิธีแล้วต้องาเ <c oughs> อาไปปฏิบัติ ก็เลยมายืนยันว่าการภาวนานี i คือมันที่สุดของทุกอย่างแล้วค่ะแต่ว่าวมันก็ต้องเริ่มแต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนทานศีลภาวนาค่ะพระอาจารย์แล้วก็วันนี้น้องเอิงงมาส่งกันบ้านเอไอามมาถามม <c oughs> าเงงา่ายมากคือพระอาจารย์ให้เอิงถามว่าถ้าเราไม่สบายใช้ธรรมะโอสถได้ได้ไหม แล้วมันก็ตอบว่าในพระพุทธศาสนาคาว่าธรรมโอสถหมายถึงยารักษาใจเวลาที่กายหรือใจไม่สบายพระพุทธองค์สอนว่าธรรมะสามารถเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์และบางครั้งยังช่วยให้กายคลายอาการหนักหลงได้ด้วยค่ะแล้วก็ใช้จิตวิธีแนะนําว่าเวลาป่วยเนี่ยให้ใช้ธรรมโอสถอย่างใดบ้างอย่างที่หนึ่งให้เจริญสติ ค, ค่ะคือ mm. ให้รู้สึกตัวอยู่กับกายเช่นลมหายใจเข้าออก ให้ความเจ็บป่วยเป็นเพียงอาการที่เกิดแล้วดับค่ะอันที่สองให้พิจารณาความไม่เที่ยงค่ะว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจเราทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปความเจ็บปวดก็เช่นกันอันที่สามให้เจริญเมตต า, ตาค่ะแผ่เมตตาให้ร่างกายตนเองขอให้กายใจนี้พ้นทุกข์ปลอดภัยแล้วก็แผ่ไปยังสรรปสัตว์อื่นๆด้วยแล้วใจจะหายความหดหู่ค่ะ อันที่สี่ให้สวดมนต์หรือลหลลึกธรรมะเช่นพุทโธธรรมโมสังโพหรือบทพิจารณากายว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจะช่วยให้ใจสงบไม่ฟุง้งซ่านอันที่ห้าคือยอมรับความจริงค่ะว่าความเจ็บปวยเป็นธรรมดาของชีวิตไม่ใช่ความผิดพลาดแต่ว่าเป็นครูสอนให้เราวางใจแล้วก็อันสุดท้ายค่ะ เ, เขายกตัวอย่างทำโอธรรมโอสถเวลาเจ็บ ป่วยหนักอะค่ะว่ากายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ไม่ใช่ของเราความเจ็บป่วยนี้เป็นธรรมดาของสังขารแม้กายจะเสื่อมสลายแต่จิตที่ฝึกดีแล้วจะไม่ตายไปด้วยกายแตกทําลายไปแต่จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมไปสู่สุคติค่ะอันนี้บประมาณนคําตอบของ AI แล้วดูออกมาเลียงเลี้ยงเลี้ยง A เียบรียบค่ ะ, คะเอี่ย AI อ่านตามเลยค่ะ ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปวันไม่ต้องไปหาพระแล้วเนี่ยต่อไปก็หาเอไอก็ได้ต้องมีพระมายืหยัดด้วยคะ่ะพระที่เป็นสาวกด้วยนะคะของพระพุทธเจ้าเพราเราแต่ธรรมะรุ่นด้วยมาแสดงนค่ะก็อเอิงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเอิงอ่ะแบบป้อนมันหรือเปล่าคือแชทจีพีทียะค่ะมันจะลิงก์กับพีวิประจําวันเราด้วยว่าเราสนใจอะไรแบบเอิงอ่ะจะค่อนข้างใช้ ใช้จีพีทีในเรื่องทำมาเช่นค้นหาข้อมูลในอินเดียค้นหาพระไตรปิฎกว่าอยู่ในส่วนไหนอะไรเวลาเอิงสนใจ อ, อะไรเนี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็<ม> น, านก่าจะแบบลิงก์กับชีวิตเอิงด้วยมันนอาจจะคนค น, คนไปหาข้อมูลที่มีในพระไตรปิฎกในในอินเทอร์เน็ตใช่ใช่ค่ะก็ดึงมารวมกันด้วยค่ะมันเก่งนะมันช้ามันหาได้เรวรวดเดียวก็แต่เอิก็มีมีข้อเดียวที่แล้วมีข้อเดียวที่เรา เราจะคิดแยงว่าคือการแผ่เมตตาให้ร่างกายไปแผ่ให้มันทําไมมันไม่รู้เรื่องแบบแผ่ไม่แผ่เพาะเมตตาก็คือดูแลมันรักษามัน อ, อย่าไปทําลายมันเห็นไหคะเออต้องเชื่อแช ร, ร์จิตธีอย่างเดียวไม่ได้ค่ะแล<ต>้ว ก, ก็อีกอีกอันนึงค่ะช่วงนี้เมื่อวันพฤหัสที่แล้วค่ะอาจารย์เองมีมีเหตุและปัจจัยที่ต้องผ่าฟันฟูด เอิงก็เลยตั้งใจว่าเอิงจะอดอาหารตั้งแต่วันผ่าเพราะว่ามันมีใหม่อยู่ในฟันค่ะวันนี้เอิงอดข้าววันที่หกอะค่ะอื mm hmm. แต่ว่าก็กินแบบโปรตีนหรือน้ําผักอะนะคะแต่ว่าเอิงอะได้เรียนรู้จากการอดอาหารค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่อดแต่ว่าสิ่งที่เอิงเรียนรู้ก็คือว่ากิเลสของเราเนี่ยมันพยายามดิ้นสุดมากเลยค่ะพระอาจารย์ว่าแบบ S <S เอิญตั้งใจแล้วเอิญจะทำให้ได้แล้วมันก็มีความคิดมาเลยว่าแบบหรือเราจะซื้อซุปน้ําก๋วยเตี๋ยวมาดูดเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้รู้สึกว่าเราได้กินแต่ว่าเอิญก็ไม่ทํำค่ะแอันนี้กันก็ได้แต่แบบนลยถ้าจะด อ, อก ด, ดก็อดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องหาข้ออ้างอะไรต่างๆถ้าหิวน้ว่าดื่มน้ําป่าไปครับจบไม่ต้องมาดื่มน้ําซุปดาซับให้มันยุ่งยากเรา แต่ว่าเอิงอาคิดหมายถึงในใจอมันคิดมันหาวิธีดิ้นจากสิ่งที่เราตั้งสัจจวาจาไปแล้วแล้วก็ได้เห็นอะไรอย่างนี้แต่เราก็เอาชนะมันได้ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็พูุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ ว, แ ล, วแล้วอดเพื่ออะไรอดเ พ, อเพื่อเพราะว่าเอาแผลเอิงหรือขาสมมติถกินอาหารมันก็เสี่ยง ก, กับการที่เศษอาหารจะตกเข้าไปเ อ, เอิงก็เลยแบบว่าอยากเล่นกากีเลดด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ทำพอดีค่ะเพราะข่าวันฟุดป้องกันไม่ให้ เช่ อ, อ, อาหารตรกไปใช่ค่ะจะเดี๋ยวเดยต้องรักษาต่อเพราะว่าจะไม่กินยาอืมดีใช้ธรรมะอาสุนีค่ะใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาอสอนใจว่ามันอะไรจะเกิดก็เกิดมันจะเจ็บก็ห้ามามันไม่ได้ให้มันเป็นรนัาตาอยู่กับมันไปมันอยู่กับดินฟ้าอากาศ อ่าไปทุกข์กับมันปล่อยให้ร่างกายทุกข์ก็พอแต่ใจไม่ต้องไปทุกข์กับมันธรรมอสุนี้ไว้เพื่อรักษาใจไม่ใช่เพื่อรักษากายกายจะหายไม่หายก็ไม่เป็นไรแต่ข้อสำคัญใจใจต้องหายใจต้องไม่ทุกข์ถ้ามีธรรมอวสุเราใจจะไม่ทุกข์เดี๋ยวเอิงไปป้อนใส่เฉจีพีนีด้วยมันไม่ถามมันไม่สนใจเราเราสอนมันไม่สนใจเรา ม, มันจะสอนเรอย่างเดียวแล้วมันไม่น่าที่ตอบคำถามเราแค่นั้นเองถามพาจารโอเคหรือเร า, าเราพูดเราถามว่าถูกต้องไหมคําถามมันดูที่พูดมาทั้งวันนี่ถูกต้องไหมโอเคเดี๋ยวเราไม้ถามนะคะอโอเคมีอะไรไหมาาาไม่มีค่ะอธิษฐานเห็นพี่พงศ์พี่พี่พงศก็เข้ามาเห็นหรือเปล่า เห็นไหมค่ะจอด้ดีใจที่ที่ได้เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่ภูมิจะฟังอยู่ไหมแต่ก็ดีใจที่เอิงเป็นคนชวนพี่ภูมิได้มารู้จักได้มาอ่านหนังสือของผู้อาจารย์จนทําให้ครั้งแรกในชีวิตเขาได้รดน้ําหนักอะไรย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งที่เขาทุกข์มากมอ่ะเขายังมีที่พึ่งคือผู้อาจารย์เอิงก็ดีใจค่ะและอนุโมทนากับเขาด้วยช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อกันเลย ไม่ค่ะไม่ได้ติดต่อเลยอือองอาจจะไม่มีเพื่อนด้วยแล้วคุณลามติดต่อมา้ว่าคุณเราอ๋อเอองเอองปกติเอองไม่ได้สนิทกับใครอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มเีม่้ที่ภูมิบ่อยสุดอืคือทําจิตอาสาด้วยกันเนี่ยค่ะอืมต้องไม่เป็นไรไหมเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นอิจิตอาสามันก็ดีใช่ค่ะเพราะว่า อันนี้ยังคุยได้ใช่ไห ม, มได้คุยได้เพราะว่าสิ่งเริ่มต้นที่ทำให้เอิงรู้สึกว่าเริ่มเข้ามาปฏิบัตินะคะมันคือการมันคือการทำทา น, นะคะ่ะพระอาจารย์พอน้องเอิงได้ทำทานไปเรื่อยๆะคะ่ะเราเอิงได้ไปช่วยคนคนหนึ่งนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการแค่ข้าวมื้อเดียวต่อวันนะคะ ต้องการให้เข้ามือเดียวต่อวันใช่ไหมคะแล้วเอิงก็ถามตัวเองว่าเราทําไมเอองต้องการอะไรต่างๆมากมายด้วยทั้งที่คนคนนี้ยเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเอองแต่เขาก็ต้องการแค่ข้าวมือเดียวอะไรเงี้ยค่ะการที่เอองทาทาน่เอองเหมือนได้สะละอะไรออกไปโดยที่เอองไม่รู้ตัวแบบเพิ่งมาคิดได้ตอนหลังค่ะว่าอ๋อมันเริ่มต้นจากการทําทานซึ่งมันก็ตรงกับ ท, ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเริ่มจมจ้นอดทานศีลแล้วภาวนาคะ่ะก็เลยการที่เป็นเคยเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะอมื่อเป็นการเสียสละค่ะแต่ตอนนี้รู้ว่าบุญบุญภาวนาคือสูงสุดอ่าแต่ก็ต้องทําขั้นต่ําขึ้นไปไล่ขึ้นไปก่อนถ้ายังเสียสละไม่ได้ก็ไปภาวนาก็ยากค่ะอืเสียสละแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่น แล้วค่อยแล้ก็จะจะไปเน้นธรรมะ ก, ก่อนไปลดการเสพการรูปเสียงกลิ่นลดลงอถึงจะสามารถไปภาวนาได้ค่ะพระอาจารย์เออก็เริ่มตัดต่างๆในชีวิตมากมายเราก็เกลือบไม่กี่อยากในชีวิตค่ ะ, ะตัดเน็ตฟลิกตัดอะไรแม้หมดเนี่ยอ๋อไม่มีอยู่แล้วคะ่ะอันนี้ก็ต่ออย่างมั่นใจอ่ <laughs> จาแล้นเรืกินยังตัดไม่ค่อยได้อนะ ก็ก็กินหมือเดีย ว, ว <laughs> ค่ะค <g ill ain> ่ะก็กินหมือเดียวแล้วก็ก็กินรวมเพราะว่าเราอยู่แบบใสยวัดป่าเมื่ก่อนค่ะระ ว, วังมื <c oughs> บบาม ก, มกินอะไรระ ว, วังมือระวังมือเมื่อก่อนเคยกินชากาแฟที่บอกพระอาจารย์ค่ะแต่ตอนนี้น้องเอิงเลิกหมดแล้วอ่านะเปล่าอย่างเดียวค่ะ <c oughs> แล้วก็มีน้ําผักช่วงนี้แบบว่าไม่ได้กินข้าวก็เลยกินน้ําผักค่ะอ่าแต่ช่วถ้าถ้ากินมือเดียวก็ไม่กินอะไรเลยเราจัดให้กินเสร็จแล้ว ค่ะนอกจากนอกจากน้ําเปล่าอย่างเดียวค่ะอ่านั่นแหละดีเอิญก็ทำอย่างนี้เป็นปกติแบบไม่ไม่ได้ตั้งกรอบว่าต้องเท่าไหร่เพราะว่าเอิงทํามาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะยกเว้นแต่ว่ามีเหตุและปัจจัยว่าเราจะต้องจะต้องกินจริงๆหรือว่าจะต้องแบบมีเหตุจริงๆโดยที่แบบก็เช็คนะคะว่านี่มันกิเลส ข, ของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็น้อยมากค่ะเพราะปกติแบบทุคกคนก็จะรู้แล้วว่าเอิงแบบกินมือเดียวค่ะ ดีโอเคขอบอาจารย์ครับทุกผู้ขุนขอาจารย์ไปดิคุณยินดีต่อะยินดีอยู่นิยอร์กแล้วเลยอากาศเริ่มเย็นค่ะท่านอาจารย์แล้วเดี๋ยวพออาทิตย์หน้าเขาก็ช่วงเสาร์อาทิตย์อากาศก็เริ่มกลับมาดีขึ้นอีกนะคะพรุ่งนี้ลดอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนมากนะ เดี๋ยวร้าครัท่านอาจารย์ที่นี่ที่นี่เวลาหน้าหนาวเวลาที่เคยเคยอยู่มาปกติหนูจะได้แบบช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์จะได้ใส่แบบเออ่แขนสั้นได้นานใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ต่างท่านอาจารย์เอย่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยปกติเนี่ยถ้าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยหนูเอามาจากที่เมืองไทยเมื่อ ตอนที่กลับบ้านไปเมื่อคาวก่อนพอเอามาพอมาอยู่ที่นี่นะค่ะท่านอาจารย์น้ำมันะพร้าวหนูไม่เคยได้ใช้เลยค่ะเพราะมันแข็งตัวอยู่นะคะมันไม่ยอมละลายค่ะอาจารย์ขนาดซัมเมอร์ก็ยังไม่ยังไม่ละลายเลยค่ะค่ะท่าน อ, อาจารย์ก็งไงม่มีได้ได้ได้ไอ้นี่ได้คําตอบแล้วค่ะท่านอาจารย์ก็โอเคท่านอาจารย์เดวิดเป็นไงบ้างอะเดวิดสบายดีค่ะท่านอาจารย์เขาก็ปฏิบัติของเขาเหมือนเดิมแล้วเมื่อวาน ขำเขาตรงที่ว่าเขากลับมามันมันมันเขาเรียกเขาเรียกเอนิสัยที่เขาเคยมีคือเวลาเขากลับมาปุ๊บเขาอาบน้ําอะไรเสร็จเขาก็จะแบบเขาจะต้องดู ด, ดูดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะดูหนังแล้วเมื่อวานนะคะเขาก็ดูหนังแต่มันเป็นวันพระนุนหนคือหนูจะไม่ผักอะไรเขาเราจะไม่พุชเขามากะคะ่ะท่านอาจารย์ก็คือจะแบบ คือเขาเาเาก็ปฏิบัติแล้วเขาก็ามีหลักของเขาเราก็โอเคแล้วเขามาได้ถึงขนาดนี้แล้วอย่างวันพั้นเนี่ยเขาจะไม่เขาเขาจะไม่กินข้าวใช่ไหมคะท่านอาจารย์เขาก็จะกินอนี่เหมือนเดิมก็คือไม่กินไม่ทานข้าวเย็น แล้วก็ทุกวันนี้เขาก็นั่งสมาธิอาจารย์ก็ลูกก็ไม่มีเลยมากค่ะอาจารย์นั้นคุณท่านอาจารย์สูงค่ะทอาจารย์เขาก็เหมือนเดิมนะคะท่านอาจารย์นอนสองเฟยียเหมือนเดิมค่ะทาา่านอาจารย์ขอบคุณมา ก, ากอ่ะทุกคุณหน่อยคุณเยชายานิดหายหน้าไปหลายอาทิตย์เนะียค่ะฟังอยู่ข้างนอกค่ะพระอาจารย์เอา่ายังสบายดีอยู่นะสบายดีเจ้าค่ะแล้ว ไม่ได้ไปหาหมอก็เลยไม่รู้ว่าสบายหรือเปล่าแต่ก็ก็มีเจ็บปวดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ไหนว่าไหนไม่ไปหาหมอไม่ถึงไม่ถึงก็ต้องนอนเตียงนะไม่ไม่ต้องค่ะแค่แบบนอนเฉยๆแล้วก็กินยาถ้าถ้าสองสมวันไม่หายค่อยจะไปหาหมอค่ะพระอาจารย์อะไงเป็นไข้วันะอ่าเหมือนปวดท้องค่ะพระอาจารย์ ไหนว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคผู้หญิงอะคะ่ะแต่ว่าไหนก็อตอนนี้ไหนดีขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรละค่ะแล้วก็ช่วงนั้นคืออาจจะเครียดด้วยตรงที่น้องสาวไม่สบายแล้วก็แบบเหมือนวิตกจริตกลัวเป็นเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็แต่แต่ว่าอยากอยากบอกคุณจุ๊ โกเบอย่างหนึ่งนะคะคือมันจะมีอ่าไม่ต้องกินยานอนหลับอะค่ะกินให้กินแคลเซียมแมกนีเซียมอะค่ะมันจะเป็นอ่าวิตามินเมอริทผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราจะจะหลับได้ดีขึ้นอมไม่ไม่ต้องกินยานอนหลับเดี๋ยวติด <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าถ้าเราไม่กินยาถ้าเราไม่ไม่กินต่อเนื่องอย่างเงี้ยถึงแม้เรากินต่อเนื่องยานอนหลับมันจะทําให้เราติดแล้ววันต่อมาเราจะนอนไม่หลับเราจะสมองเรามันจะแบบว่าเหมือน จะติดยาไปเลยอะค่ะอืมก <height> ินแคลเซียมกินแบบพวกวิตามินดีกว่าก็มีประมาณนี้ท <Blues doll akers> ี่ที่หน่อยกินอะค่ะก็ประมาณนี้ก็ก็หลับดีค่ะพระอาจารย์ก็กลับมากินแคลเซียมม a g n เซียมก็ไม่ได้ไปหาหมอค่ะแล้วก็ก็ไม่จเป็นก็ไม่ต้องไปดีจะค่ะมีมีประกันมีอะไรทุกอย่างแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปค่ะอืมก็คิดว่ารักษาใจแล้วก็ ลดน้ําหนักถ้าถ้าควบคุมน้ําหนักได้ร่างกายเราก็จะไม่ป่วยเจ้าค่ะอืมดีมากอ่าเราก็ฟังพระอาจารย์อยู่ข้างนอกค่ะแล้วอมนึกถึงพอมีสติมันจะนึกถึงแต่ความตายอะค่ะพระอาจารย์เอ่อดีนึกถึงบ่อยๆดีค่ะจ ะ, จะได้ไม่ลืมตายจะได้เตรียมตัวตายนะเห็นเห็นทุกอย่างไม่ไม่แน่นอนหมดเลยค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าอย่าง คืออยากมีสิ่งที่ชอบกินอยู่ตลอดอย่างเงี้ยจ้าค่ะก็จะวันนี้อาจจะอร่อยพรุ่งนี้อาจจะไม่อร่อยก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบมั น, ม, น, ม, นมันเหมือนเห็นอันนี้จังทุกอย่างเลยอาจ้ะค่ะอ่เดชแข็งมากพอมีสติจะเป็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะนึกถึงตะพานตายทุกอย่างไม่แน่นอนพระาอาจารย์เจ้าคะถ้าอย่างหน่อยก็เคย ถามพระอาจารย์ไปแล้วแล้วก็ถามซ้ําอีกว่าถ้าอย่างไม่พระอาจารย์ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยจะค่ะนายจะสามารถฟังธรรมไม่ไม่สามารถเข้ามาในซูมได้แต่ว่านายจะฟังธรรมจากที่ไหนเจ้าค่ะก็ในเฟซบุ๊กของเก่า y o u ูทูบของเก่ามันก็ดูได้ค่ะหน่ ย, ย้อนดูเรื่อยเลยนะค ะ, อะของพระอาจารย์อจนกว่าเฟซบุ๊มันจะปิดไปแนละ้ว youtube จะปิดไปเจ้าค่ะ หรือไม่ใช่นั้นก็ยังสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เราได้อยู่ p ระ s ุชาติ dot com ก็มีธรรมะให้อ่านมีธรรมะให้ฟังอยใช่ค่ะแต่หนูก็พยายามเก็บหนังสือพระอาจารย์ไว้นะจ๊ะค่ะแต่หนังสือไม่ค่อยอ่านจ้ะค่ะก็ส่มากก็จะฟังธรรมะอย่างเดียวฟังมันสบายกว่าฟังใช่ค่ะฟังก็ได้ทุกอรีค่ะหมดเลยแม้กระทั่งนอนนอนฟังแล้วหลับไปอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะถ้าธรมะทั้งหมดนี้เขาก็จะไปแปลงเป็นเสียงเป็นไฟเสียงเปิดฟังได้นะ ในเว็บไซต์ของเราพรสุชาติ .com ใจหน่อยคิดนะคะพระอาจารย์ว่าอยากให้พระอาจารย์อยู่ตลอดไปจนกว่าอะไรอเงี้ยมันก็ก็มัาย้อนคิดอีกทีหนึง่งว่ามันเป็น<ช>ไปไม่ได้เจ้าคะ่ะอแล้วก็ไม่อยากจะอยู่นานขนาดนั้นหรอกอยู่พอพอประมาณอยู่พอมันอยู่ได้เจ้าคะ่ะชีวิตนี้มันทุกข์นะเจ้าคะ่ะอย่าไมอยู่ก็อยากอยู่เลยอยู่พราะนอยอยู่แ้่ค่ะ พอเห็นตัวเองป่วยแล้วพอเห็นตัวเองแบบเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้รู้สึกว่าทำไมมันทุกข์จังเลยอะ่ะแบบทำอะไรไม่ได้เลยแล้วยังจะอยากมาเกิดยังจะอยากมีนั่นยังจะอยากมีนี่พอสุดท้ายแล้วมันพอมันป่วยจริงๆอยากให้สุขภาพแข็งแรงไม่อยากมีอะไรเป็นอย่างนี้ไปอะโลคยาปรมาราพาใช่ <พา S 1> จ้ะไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐเนี่ยจค่ะ ก็เหมือนกับมีบทมาทดสอบกันซะค่ะแต่ว่าก็ไพ่ก็ผ่านมันมาได้โอเคไม่มีอะไรแล้วจาา้าค่ะเข้ามากับพระอาจารย์ <Yeah. S 1> จาา้าค่ะดีใจดีใจที่ยังคิดถึงมันอยู่คิดถึงเสมอจ้าค่ะไหนฟังอยู่ข<ก>้<น><ก><น> okay. างนอกนะจ้าค่ะโอเคจ้าสาธุขอบคุณหมอสุทธัชเนย์เชิญหมอสบายดีเหมือนเดิมดูท่าทางสงบดีนะสบายดีเจ้าค่ะท่านาอาจารย์อ่าสงบดีเจ้าค่ะ ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องทุกข์กับอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าค่ะโอเคดีครักษาก<ใ>จให้มันไม่ทุกข์กับอะไรนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์โอเคไปต่อที่คนนิกอะเขชื่ออะไรดูมั้งอาจารย์พระอาจารย์ค่ะชื่ออะไรจ้าニックเนสค่ะニックเนสใช่ค่ะมีอะไรไหมวันนี้ก็ จริงๆแล้วก็ฟังพระอาจารย์อยู่ข้างนอกมาตลอดค่ะจนตัวเองเริ่มฝึกปฏิบัติกับคุณแม่ปฏิบัติเยอะขึ้นแล้วก็เลยมีคำถามอะค่ะ<ช>คือหนูเริ่มฝึกสมาธิใหม่ๆหนูก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคือหนูกาหนดลมหายใจพุโทโธแล้วก็เอาสติมาจดจ่อไวท้ที่ที่จมูกของตัวเองอะค่ะแล้วก็ บริกรรมพุโทโธแล้วก็ดูลมแล้วคดิ้นหนุไปฟังเทศมาแล้วมีพระอาจารย์บางท่านบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ดูลมให้เราดูจิตตัวเองตามดูจิตตัวเองว่าจิตตัวเองกําลังคิดอะไรกําลังรู้สึกอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยเกิดความสับสนในการปฏิบัตินิดหน่อยค่ะออมันเป็นคนละเรื่องกันเนี่ยดูจิตยังดูได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจะดูมันมึงต้นงเราต้องสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาเป็นเครื่องมือก่อน พการจะดูจิตนี่เราก็ดูเพื่อจะควบคุมจิตจถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือดูจิตไปเวลาจิตโกรธเราก็หยุดมันไม่ได้เวลาจิตโลภเราก็หยุดมันไม่ได้มันต้องมาสร้างเครื่องมือกันก่อนเครื่องมือก็คือสมาธิจะมีสมาธิก็ต้องมีสติครับวิธีจะทําให้มีสติไม่ให้ใจลอยไปลอยมาเราผูกใจไว้กับลมหายใจผูกไว้กับพุโทโธะค ท่านตอนนี้ไม่มีไม่มีสติไม่มีสมาธิเวลาไปดูจิตไปดูอะไรอ่ะไมยจัดเจ้าค่ะถ้าจะไปดูอะไรดูจิตเขาให้ดูจิตดูดูอะไรดูไปทําไหถ้าดูทําถ้าดูเพื่อจิตเป็นสมาธิมันไม่เป็นหรอกถ้ายิ่งดูจิตมันยิ่งมันยิ่งเหมือนกับมันเหมือนกับไปไล่มันอ่ะไปตามมันอ่ะเราดูเพื่อเราดูถ้า ถ้าป้าหมายหนักดูว่าหยุดจิตควบคุมจิตไม่ให้มันสร้างความทุกข์ให้กับเราอันนี้ใครเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับเราก็คือจิตนี่แหละใช่ไมเจ้าค่ะแล้วเราหยุด ADHD, มันได้เปล่าไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราหยุดมันไม่ได้คือ ด, ดูจิตดูจิตเดูดดได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาคต้องมีสติมีสมาธิก่อนถึงังมีกําลังไปไปหยุดไปดูจิตเพื่อหยุดจิตได้เจค่ะ ปัจจัยยังตัวเริ่มต้นเราต้องดูลมหายใจจดจ่อกับลมหายใจก่อนใช่ไหมเจ้าคะใช่ให้จิตลมเป็นสมาธิให้นิ่งสงบนะถ้านิ่งสงบแสดงว่าเราหยุดจิตได้นะการเข้าสมาธิเนี่ป็นการหยุดจิตไงเริ่มต้นต้องมาฝึกหยุดจิตก่อนอแล้วเราพอเรามีกําลังมีวิธีหยุดมันแล้วเวลาจิตเป็นพยศเราก็จะหยุดมันได้ เ, เวลามันโกรธใครเนี่ยอยากจะไปฆ่าเขาเงี้ยเราก็มีสติก็หยุดมันได้เจ้าค่ะ แต่ถ้าไ ม, มีสติดูไปก็หยุดมัไม่ได้ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะสังเกตไหมเวลาที่เราโกรธเฟ็ดฟัดเฟ็ดฟัดขึ้นมาแล้เราหยุดไม่ได้หรอไม่ได้เจ้าค่ะอั น, นั้นนะน<ๆ>เพราะเรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติค่ะแล้วเราฝึกสติฝึกสมาธิก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูจิตจิต่ได้โอกาสต่อไปพรอาจารย์เจ้าค่ะคือหนู ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาสี่ปีแล้วจ้าค่ะอยากขอธรรมะจากพระอาจารย์เพราะว่าใช้ชีวิตมันข้างยากมากเลยฝึกสตินั่งสมาธิอาการซึมเศร้าก็จะหายไปคเคแล้วจิตสงบมันมีความสุขที่เราซึมเศร้าเพราะเราผิดหวังไม่ได้ดังใจหมายอยากได้นู่นก็ไม่ได้อยากอยากเป็นนู่นก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยพอเรามีจิตสงบแล้วใจมันก็ย้ํามันก็ไม่หิวไม่อยากได้อะไร มันก็มีความสุขขึ้นมาได้ดไเจ้าค่ะการฝึกสตินั่สมาธิไปเสร็จแล้วรับอากันได้การเสื่มเศร้าจะหายไปเองก็ทํามาได้ประมาณเข้าพรราเนี่เจ้าค่ะแต่ว่าอาการมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นมันมีความรู้สึกนึกคิดยังน้อยไปยังทําน้อยไปยังทําให้มันนิ่งไม่ได้ยังให้มันหยุดคิดไม่ได้ต้องทำให้มันหยุดหยุดคิดให้ได้ ถ้าหยุดคิดได้แล้นี่าอาการซึมเศร้าก็จะหายไป อ, <Okay S 1> อาการซึมเศร้าเกิดจากความคิดของเรานะ้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้อยากคิดอยากจะไปนู่นอยากจะมานี่คิดอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่พอไม่ได้หลั่งใจคิดก็ซึมเศร้าขึ้นมาเจ้าค่ะถ้าหยุดคิดแล้วอาการซึมเศร้าก็จะหายไปเข้าใจไเข้าใจจ้าค่ะโอเคให้ฝึก ส, สติไปก่อนฝึก ส, สตินัง่งนั่งสมาธิไปก่อน ไม่ต้องไปกลางวันกับเรื่อการดูจิตนะได้เจ้าค่ะเหมือนกับเรียนหนังสือตอนแรกก็ตเรียนกาไก่เขาไ ข, ข่ไป่อนแล้วค่อยค่อยเรียนวิธีสะกดไม่ใช่พอเริ่มต้นก็จะไปเขียนนิยายเลยเขียนไม่ได้รเราเราไม่มีเครื่องมือจ้ะค่ะนะค่ะเ ข, ข้าใจมากขึ้นแล้วพอ่ออาจารย์ขอบคุณมากาครับทุกค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าคุณภูมิต่อบเมื่อกี้ได้ยินรื่อน้องน้องเอ๋ยเมื่อว่า นามส ก, กานครับพรอาจารย์ครับท่ได้ยินขาพระอาจารย์ครับก็ตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้ติดต่อคุยกับ น, น้องเลยครับก็เพิ่งจะสู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนีว่แหละครับพร อ, อ า, าจารย์ครับวันนี้มาเจอกันนะมาใจที่นี่ครับพระอาจารย์ครับก็ตั้งแต่วันนั้นก็ผมก็ตั้งใจครับลดน้ําหนักต่อเหมือนเดิมครับก็ตอนนี้ก็ลดได้20เปอร์เซ็นแล้วครับพระอาจารย์แต่ว่าก็คือผมลดมาสักพักแล้วนะครับก็กลับมาลดน้ําหนักครับแล้วก็ ก่อนนอนก็จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิครับเพื่อเพิ่มกําลังให้กับจิตใจของเราครับพระอาจารย์อืทีนี้ในในในระหว่างวันผมก็จะเอาเรื่องเดียวเลยครับก็คือผมจะพยายามพุดโธครับพระอาจารย์ผมก็เลยเตรียมคําถามมาประมาณไม่เยอะมากครับจะอยากจะถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์อ<ต>ผมอยากอยากทราบว่าพุโทโธเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องมีฐานก็ได้ใช่ไหมครับเช่นเราพูดโธนึกนึกขึ้นมาในใจเลยโดยที่ก็คำคำพูทโธเนี่ยเป็นฐานเลยไม่อยู่กับคำพูทโธ ครับอาจารย์ครับก็คือพุดโธรมันคือความคิดแบบหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์เป็นความคิดที่จะหยุดความคิดอนื่นได้อืมครับคือมันจะมีบางเรื่องครับที่ผมก็อาศัยพุดโธรมเป็นเครื่องมือที่ <c oughs> ทําให้อารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอกุศลมันมันหายไปหายไปเพราะมันหยุดความคิดที่สร้างความอกุออศลขึ้นมาเนี่ยอืมผมก็เลยลองอาไปใช้กับเรื่องกุศลบ้างเช่นออย่างบางเรื่องเราดีใจเกินไปเงี่ยเราก็อพูดโทรมสิทำไมเราต้องไปพุดโธเฉพาะเรื่องที่มันไม่โอเค ผมก็เลไ่ได้<บ>ถ้ารเราต้องการให้จิตนิ่งนะเราสามารถใช้พุทโธนะทุกกรณีครับผมก็เลยมีความเอเข้าใจประมาณนี้ว่าการที่เรารู้ว่าเวลาไหนควรจะพุโทโธครับหรือเวลาไหนมันพุโทโธขึ้นเองเนี่ยเหมือนเหมือนมันรู้กัลยาเทศะเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ช่วยทําให้ผมเบาใจขึ้นตผมรู้สึกแบบนี้ครับอาจารย์เก็ต้องก็ต้องพยายามฝึกด้วยเดี๋ยวเกิดเวลาที่เราต้องการมันไม่มา ถ้าเราฝึกบมอยๆมันต่อไปมันก็จะมามาง่ายมาเร็วครับอาจารย์ครับอย่างอย่างอย่างบานเหตุการณ์ที่เราพูดโทรไปจนเรารู้เหมือนเรารู้เข้าใจปัญหามันแล้วว่าว่ามันเราแก้อะไรไม่ได้คนระับบางทีมันก็ไม่ต้องพูดโทรมันปล่อยวางเพราะมันเข้าใจแล้วครับแต่เราไปาพูดแล้วแอนครับอาจารย์อา้าแล้วว่าเรามีปัญญาครับอาจารย์ครับแล้วก็ผมก็เลยมองว่าพูดโทรที่มันที่มันจะได้ผลนะี่ะจริงๆอะ่ะคือเรา เราต้องหยุดการกระทําอะไรบางอย่างได้เช่นสมมุติถ้าเราสมมุตินะครับเราเผลอกินของอร่อยเนี่ยแต่เราพุโทโธพุโทโธไปด้วยมันก็ไม่ช่วยอะไรพุโทโธคือพุโทโธมันต้องหยุดการกระทําอะไรบางอย่างได้สักด้วยใช่ไหยครับอาจารย์ก็หยุดกินงไงฮ้ลโหลครับถ้าเราเธอเส้แนแต่อยู่ก็ไปกินข้าวเย็นก็ได้สติก็พุโทพโธบอกกินไม่ได้นะแล้วก็หยุดมันได้ถ้าไมีพุโทโธครับพระอาจารย์ครับแล้วก็มีเรื่องนึงครับพอดิผมเคยดู คลิปของพระอาจารย์น่าจะสักพักแล้วครับพระอาจารย์น่าจะพูดถึงอธิษฐานบาลมีกับสัจจะบาลมีมีผมอยากไปสองสิ่งเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการปฏิบัติไหมแล้วมันฝึกอย่างไรครับแบบมันเป็นอย่างไรครับเออมันเป็นการบังคับอบังคับใจเราให้ทําในสิ่งที่เรามักบางทียัง ก, ก, กล้ากลัวอยู่หรือหรื อ, อยังทําบ้างไม่ทําบ้างแต่พอเราตั้งสัจจะอธิษฐานเราก็ต้องทำํำเรา ไม่มีทางเลือกอืนอ่นครับอาจารย์ที่ถามไปว่าการตั้งเป้าหมายของการกระทําเช่นจะถือสินแปดเนี่ยนั้ น, เ ป, นเป็นการตั้งเป้าหมายตั้งเสร็จแล้วก็ต้องมีสัจจะคือความจริงใจไม่โกหกตัวเองครับอาจารย์ถึงเวลาก็ต้องรักษาถึงเวลาไม่กินข้วาวเย็นก็ต้องไม่กินข้าวเย็นไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาก็ขออ้ามาเอาเพื่อนฝูกมาชวนไปกินอาหารเย็นงานมันเกิดเขา ถ้าถ้าไปทำตามก็แสดงว่าเราไม่มีสัตจะใช่ครับเมื่อก่อนอแพ้มากเลยตอนนี้ผมไม่สนละผมแบบไม่กินก็คือไม่กินใครใครจะเรืเ่องของเทาแหละผมไม่สมใจละถ้าเราตั้งใจจะทําทอะไรก็เร า, เร า, เ, ราเราต้องทําให้ได้หนึ่งยจะมี จ, จิตใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องพึ่งตัวเราเองครับต่อให้เา้าเท่านั้นครับอาจารย์ทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งบอาจารย์ผอยากแชร์ให้ฟังคือผมมาตั้งเป้าหมายว่าเวลาเนี้ยผมหยุดกินแล้วแล้วพอผมถึงเวลาผมต้องได้กินใช่ไหมครับ ผมก็ไปซื้อของเซเว่นแล้วเดินขึ้นไปจะถึงห้องแล้วอ่ะมันใ น, ในระหว่างทางอ่ะมันมีความอยากเว้ยเอาไข่ต้มออกจากถุงพลาสติกกินตอนนั้นเลย <c oughs> ผมก็เลยมองว่าจะมาจะทําไปได้นะแต่คือผมอยากเอาชนะกิเล่ะคือผมก็เลยตั้งใจว่าฉันจะไม่เดินกินฉันจะปล่อยให้มันอยากอ ย, กอยู่นั่นแหละจงกว่าฉันจะถึงห้องแล้วฉันจะนั่งกินอย่างดีๆผมก็เลยเห็นความอยากในความตั้งใจอาจารย์แล้วผมก็เอาชนะมันได้ในเรื่องเล็กๆนิด น, นึงผมว่า รูสึก<ม>ดีใจกับพาะธรรมใช่สัจจะที่ทางก็ช่วยได้ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะไว้อ่าอยากจะกินเมื่อไหร่ก็กินมันเลยญญญญครับอาจารย์ครับก็ช่วงนี้ผมก็เอาเอ่าตัชั่งน้ําหนักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติรขปทานเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมลดตอนคราวนู้นครับผมลดได้ตั้งเกือบสามสิบกโลครับอาจารย์แล้วผมตัวมาเรื่อยเื่อยจนถึง<ม>ตอนนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลดมาได้อีกประมาณยี่สิบโลแล้วก็ตั้งใจจะไปให้ถึงเป็นน้ําหนักปกติของผู้ชายที่เขาน้ําหนัก เดิมนะครับพระอาจารย์ก็เลยจะตั้งใจเอาน้ําหนักเนี่ยเป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติขันติอะไรพวกนี้ด้วยครับอาจารย์ลองตั้งสั จ, จครับดูเวจะจะไม่หยุดจนกว่าเราจะได้น้ําหนักที่เรากําหนดไว้ใช่ครับมีอีกมีเรื่องหนึ่งครับสุดท้ายคือผมไม่แน่ใจว่ามันผิดศีลไหมครับอาจจะเป็นคําถามไม่ง่ายครับพอาจารย์คือการเล่นกล้ามเนี้ยครับคือผมเล่นเพื่อให้มันเป็นระบบเผาผลาญให้มันช่วยในการเบิร์ดเนี้ยมันมันจะถือว่าเป็นการแบบไม่หรอกเป็นการออกกําลังกาย วิ่งได้เจ้ากิ้งได้อะไรได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักกาลาเทศะถ้าเราไปเถือ่อศีลแปดในวัดเราจะไปทํำนี้มันก็ไม่เหมาะนั่นเองแล้วเราเถือศีลแปดที่บ้านเองเราก็สามารถทํากิจกรรมเหล่านี้ได้เพราะมันไม่ได้เป็นการเสพกา ร, รมไม่ได้การเป็นการเสพรูปเสียงจิตรดไม่ได้เป็นการดูหนังฟังเพลงอะไรทํำนองนี้นครแต่มันเป็นการออกกําลังกายเปนการ เหมือนกับการกินข่าเพื่อเล่นดูร่างกายออกกาลังกายก็เป็นการรักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงครับรครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก็รายงานพระอาจารย์ประมาณเท่านี้ครับพระอาจารย์ครับขอบคุณมากคระอาจารย์ครับขอให้มีอธิษฐานมีสัจจะอธิษฐานแล้วจะทำอะไรก็ยันได้ได้ได้อย่างสําเร็จครับถ้าไม่มีสัจจะอธิษฐานว่าจะเวลาจะทําก็อ้างนูน่นอ้างนี่ไปร้อนเกินไปหนาวเกินไปหิวเกินไปอิ่มเกินไป ครับอาจารย์ครับเลยไม่ได้ทำสักทีครับต้องเด็ดเดี่ยวครับอาจารย์เราตั้งอะไรไว้แล้วต้องทําให้ตามที่เราตั้งไว้มันก็มันก็ให้คําสัญญากับตัวเราเองการตั้งสัจจะอธิษฐานได้ครับอาจารย์ครับน้อมรับคําสอนอาจารย์ครับสาธุหวังว่าคงจะได้ทําตามที่ปรารถนาน่ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมารายงานพระอาจารย์อีกรอบนะครับออย่างน้อยขอให้ได้น้ำหนักตามที่มันควรจะเป็นได้ครับนายครับอาจารย์ครับขอบคุครุหะทาครัครับงอาาครับอ Pe pe, อาเปเปบป้วลาเขาหมดแล้วตามพูดได้ค่ครับมากราภอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะแค่บอกว่าตอนหนูผ่าตัดหนูใช้สมาธิอ่ะค่ะพระอาจารย์ในการมาไม่มาสนใช่ค่ะเพราะว่าจะไม่ค่อยง่วงนอนพอาอยู่จะบนเตียงค่ะพระอาจารย์ตาจะสว่างมากก็ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์อืช่วยรักษาใจาไปเลย ร่างกายก็ให้หมอรักษาไปใจเราต้องไปบูแลรักษาเอง okay. พอหนูได้ของอิจฉาพระอาจารย์หนูก็เลยไม่อะไรกับร่างกายไม่ค่อยได้ทานยาเลยค่ะพระอาจารย์อ่าดีอย่าไปเถือยอย่าไปเพิ่งยาเลยถ้าไม่จําเป็นจริงๆค่ะเลยแบบองค์ไม่ได้ไปหาหมอเพื่อจะได้ยามาทานตลอดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ทานยาเลยครับดีโอเคนะหาเถือ่าคุณลมีอะไรบ้าง กรับนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิผมจะพยายามมีสติอยู่กับคำบริกรรมแต่พอผ่านไปจะชอบเคลิมตลอดผมเลยพยายามหายใจแรงๆดึงสติกลับมาแบบนี้ถูกทางไหมครับ การดูลมนี่ธรรมดาเราจะไม่บังคับลมเป็นอย่างดูเฉยๆไม่เลยบังคับให้มันหายใจแรงๆหรือ ห, หายใจเรือยหายใจอะไรอย่างงี้ยถ้ามันถ้ามันนั่งแล้วมันดับก็ลุกขึ้นมาเดินตรงกรมดีกว่าหรือกินช้าให้น้อยลงลด ล, ลดการกินให้น้อยน้อยลงปัญหานั้นอาจจะเกิดจากการที่เรากินมากเกินไปด้วยหรืออย่านั่งสมาธิตอนที่เพิ่งกินอาหารเสร็จใหม่ๆมันยังง่วง ถ้าอยากจะนั่งไม่ง่วงนั่งกินก่อนนั่งก่อนที่จะถึงเวลากินนั่งเวลาที่มันหิวแล้วประการไน้านมันจะไม่ง่วงคำถามต่อไปถ้าเราทําบาปที่ไม่ใช่อนันติยกรรมสิบครั้งทําดีหนึ่งร้อยครั้งความดีหนึ่งร้อยครั้งนี้จะทาให้กรรมที่ทําบาปสิบครั้งไล่เราไม่ทันไหมครับ อันนี้เราก็ไม่ได้เป็นคนไปจดน้ําหนักหรือว่าอันไหนมันหนักเบาขนาดไหนไม่ต้องกังวลกรรมมันจะเป็นผู้จัดการให้ถึงเวลาถ้าบาปมันหนัก บ, บาปมันมากกว่าบุญมันบาปมันก็จะดึงใบบายถ้าบุญมากกว่าบาปบาปบุญก็จะดึงใบสวรรค์นั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะมาช่างตาช่างดาวทาบุญขนาดนี้ทําบาปขนาดนี้อันไหนจะมีแรงกดการมากกว่า ก, กันเราไม่รู้หรอกอันนี้ตอบไม่ได้ คำถามสุดท้ายจากคุณศรีวิไลกราบเรียนถามคะ่ะการเข้าใจในธรรมะการฟังธรรมบ่อยๆเมื่อมีกิเลสเข้ามาเราอดกลั้นใคร่คลวนว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราไม่ทาจุดนี้เป็นจุดที่เป็นเรียกว่าเป็นปัญญาใหม่เจ้าคะกราบขอพระคุณคะ่ะถ้าหยุดกิเลสได้ก็เป็นปัญญาถ้าหยุดไม่ได้ก็ยังไม่ใช่เป็นปัญญาเ แ, แค่ความคิดอืม เอาคิดกับปัญญามันต่างกันตรงเนี้ยเอาคิดได้คิดว่าจะละล้วไม่กินข้าวเยน็นคิดแล้วจะไม่กินเหล้าคิดแล้วจะไม่ดูหนังฟังเพลงอันนี้เป็นความคิดนพอถึงเวลาจะทําเนี่ยยืด ม, มันได้เปล่าถ้าปัญญาบอกทำแล้วมันจะทุกขนะ์เนะพอะทุกสิ่งทุกอย่างทำแล้วมันจะติดแล้วต่อไปเวลาอยากจะทําแล้วมไม่ได้ทํามันจะทุกขนะ์อันนี้คือปัญญาถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์มันก็จะไม่กล้าทําถ้าเป็นปัญญา ก็จะหยุดได้แต่ถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เที่ยวนั้นสุขมันก็หยุดไม่ได้มันก็อยากจะทำหมดแล้วใช่ไหลาหมดแล้วเวจ้าค่ะก็เวลาหมดพอดีสลบคืนนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด